ขอโอกาสครูบาอาจารย์ท่านพระครูโพธิธรรมประภาสพระยา์เชิญพระพัสโร <c oughs> ผู้มีเมตตามีใจอ่อนนิ่มมีความคิดล่มลึกนิ่มนวล ที่นั่งเทศต ร, ตรงนี้นี่เหมาะสลับผู้เทศแต่ที่นั่งฟังไม่เหมาะสลับผู้นั่งฟังปกตินั่งฟังนั่งคัดสมาธิฟังนั่งภาวนาฟังจะเหมาะสมที่สุดพวกเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุภิกษุณีโยบสุบบาจิกา เป็นผู้ช่วยหมุนล้อแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้เปลี่ยนไปทำยังไงหมุนของจักคือล้อแห่งธรรมมันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงในวันพุทธศตวรรษนั้นล้อแห่งธรรมจักแห่งธรรม ในเมื่อพุทธเจ้าท่านส่งประทานให้กับพวกเราแล้วพวกเราต้องพยายามหมุนล้อไปล้อแห่งธรรมจากแห่งธรรมถ้าพวกเราไม่ช่วยกันพระคับประคองไม่ช่วยกันหมุนล้อล้อก็จะหยุดนิ่งคําว่าหมุนล้อในชนิดหมายให้ว่าช่วยกันประกาศธรรมช่วยกันฟังธรรมช่วยกันเอาไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตาม เรามาคิดดูว่าถ้าพวกเราไม่ช่วยกันหมุนล้อแห่งจักรแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานเอาไว้ซึ่งเป็นของดีของเลิศของประเสริฐที่สุดธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นมันหัวใจพุทธบริษัทของเราก็เป็นมันไม่มีผลเจริญงอกเงยอะไรในหัวใจ เราควรจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงฟังทมกันฟังแล้วไปถือตามประพฤตตามปฏิบัติตามนีม่สาคัญที่สุดเพราะสิ่งที่เราอับจนที่สุดในหัวใจของเราก็คือธรรมมีแต่ลอกอัดแน่นอยู่ในหัวใจของเรามันวัยต่อกิริยาแห่งความโลภความโกรธความลุ่มหลงอิจฉาทิษยาพยาบาท อาฆาตจองเวรจองล่างจองผานนี่คือกิริยาของโลกมันอัดแน่นอยู่ในหัวใจของเราหลวงพ่อของเราท่านมีเมตตาสูงเราฟังดูท่านพูดโครงการอะไรต่ออะไรให้เราฟังเราฟังดูดิพวกเราเป็นลกูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นพุททบริษัทเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา กับหลวงพ่อพวกเราก็ช่วยกันระดมความนึกคิดเพื่อที่จะสร้างสรรค์โครงการที่ท่านทรงดำริมาให้รุ่ลงไปด้วยดีมันเป็นการเมตตาต่อสัตว์โลกอย่าลืมว่าโลกราวนี้อยู่ได้ด้วยเมตตาเมตตานี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกโลโก ปฐามีกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกโลกนี้ถ้าไม่มีเมตตาก็แตกโลกแตกถ้าไม่มีเมตตาโลกก็แตกเมตตารวมไปถึงฮิริธรรมโอตปาธรร ม, มฮิริธรรมโอตปาธรรมเป็นธรรมเป็นโล ก, กบาล ถ้าไม่มีความละอายเก่ใจต่อการทำชั่วแล้วจะเอาอะไรมาขึ้นชื่อว่าเมตตาไม่มีลายต่อความชั่วและสร้างสรรค์แต่คุณงามความดีเมตตาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกพวกเราทั้งหลายทุกมูเหล่าทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลทั้งคราวาสทั้งบรรพชิตพวกเราให้ความสำคัญในวันอายุวัฒนะมงคลของหลวงพ่อเรา เวียนมาบรรจบ74ปีเศษ1 4พ0รษาไม่ใช่น้อยผ่านสมณะเพศมา5 2พันษาเรามาคิดดู5 2พรรษาท่านอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในขอบเคตในกรอบขอบข่ายของพระพุทธเจ้าที่สันสงประธานเอาไว้มีดีของดีของเลิศของประเสริฐที่สุด ไม่ใช่เป็นของที่หลับตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็พูดได้ทําได้ฟังได้เป็นคุณธรรมชั้นเยี่ยมที่สําเร็จรูปมาจากการตรัสรู้ตรัสรู้ไม่ใช่ไม่ใช่คิ ด, ค, ดคิดนึกนึกเดาๆเอาแล้ ว, ลวก็ความเป็นเรื่องชอบเป็นสัมมาสัมมาทิฏฐิเรามาฟังดูทิฏฐิมากมายมหาสาลที่ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกหกสิบกว่าทิฏฐิ มันเป็นบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเป็นปราทั้งหลายเป็นบรณดิตทั้งหลายที่เป็นเจ้าของทิฏฐิเหล่านี้แต่ทิฏฐิเหล่านั้นเว้นพระพุทธเจ้าเสียแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเรามาคิดดูพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียว ท, ที่ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิทําไมจีว่าเป็นสัมมาทิฏฐิท่านสามารถแหวว่ว้ออกจากกรงขังของอวิชชาตันหาอุปาทานได้ บรรดาทิฏฐิทั้งหกสิ 60, 60ทิฏฐินั้นอยู่ในกรอบอยู่ในกรงขังของอวิชชาตันหาวปาทานหาช่องออกไม่ได้หาช่องช่องออกไม่พบไม่เจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้หมายด้วยบุญญาบา ร, รมีเสียสละดดวยเรียวแรงเสียสละด้วยสติด้วยปัญญาเสียสละดด้วยชีวิตกว่าท่านจะ สร้างบุญญาบารมีนี้ให้ให้ได้เต็มเปี่ยมมาไม่ใช่หลับตื่นลืมตาแล้วก็ได้ไม่ใช่จับเสือมือเปล่าท่านได้มาด้วยการสร้างบุญญาบารมีฟังแต่ว่าสี่อสศงไขแสนมหากับอันนี้หมายถึงว่าหลังจากได้รับพุทธประการท่านพูดธรรมดาจำได้อีกไม่รู้เท่าไหร่เกจอสองไขย พูดออกปากที่ยังไม่ได้พยากรนอกจากนั้นอีกเป็นเท่าไหร่แปดอสงไข่ที่นึกคิดอยู่ในใจรวมไปแล้ว20อสงไขยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคำอาสงไขยอสงไขยมันไม่ใช่ธรรมดาคือระยะเวลาที่เนิดนานมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรา หรือเหมือนอย่างกับที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้พัตธกับพัตธกับเนี่ยมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เป็นกับที่งามคําว่าพัตธกับพัตธกับเป็นกับที่งามพระพุทธเจ้าท่านมาบัดทั้งห้าพระองค์อันนี้แค่กับเดียวนะตั้งแต่พระพระกุกุฏสันโทโกนาคมโนกัสโปโคตโมทั้นล่วงไปแล้วกับนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีพระเสียริยะเมตโยจมัตตราอีกนี่คือกับหนึ่งกับหนึ่ง แล้วเราพูดถึงว่าเศษเศษของอสองขัยคือแสนมหากัมมันไม่ใช่ระยะการเวลาที่เล็กที่น้อยซาบุญยามารมีเต็มเปี่ยมเราฟังดูเดียทานทานบา ร, รมีทานพบารมีทานปรมัตบาร ม, ทาร ม, ทรรมีทานก็คือให้วัตถุสิ่งของข้างนอกเป็นทานให้แม้แต่สมบัติให้รัฐให้ประเทศให้อะไรช้างแก้วมาแก้วลูกแก้ว เมียแก้วให้สมบัติเป็นทานทั้งหมดให้สิ่งที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดให้เป็นทานหมดอุปบารมีให้แม้กระทั่งอวัยวะเป็นทานเรามาดูดียังไม่พอให้แม้กระทั่งชีวิตให้เป็นทานทำไมถึงเสียสละมากมายถึงขนาดนี้ตั้งความปรารถนาขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้หลักวิชาที่จะข้ามพ้น วัฏฏสงสารวัฏฏสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะเป็นผู้มองเห็นทุกเห็นโทษในวัฏฏะสงสารแล้วทําไมจะได้สิ่งเหล่านี้และทําไมจะได้คุณสมบัติเหล่านี้ได้คุณงามความดีได้ความรู้เหล่านี้มาบอกมาสอนแล้วก็ตั้งตนเป็นพระศัสดาบอกสอนพระพุทธบริษัททั้งสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาเพราะฉะนั้พระองค์สร้างบารมีมาก ประเภทปัญญาทีกะด้วยนะมีประเภทสัทธาธิกะอีกนานอีกเท่าหนึ่งมีประเภทวิริยาทีกะมากเท่ากับสองเท่าของอปัญญาธิกะกับวิริยาธิกะสองเท่านี่คื อ, อสัทธาธิกะเท่ากับสองเท่าของอสัทธาธิกะ และก็ปัญญาที่กัลคือวิริยาธิกัสร้างด้วยความภาคความเปี่ยน16อสงไขยแสนมหากัรกว่าจะได้กว่าจะได้ความรู้เหล่านี้ม า, าบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าพระพุทธเจ้าอาบัติยากและการที่เราจะได้ยินได้ฟังอัธถัมภ์ของพระพุทธเจ้าก็ยากทําไมจึงยากเพราะพระพุทธเจ้าอุบัติยากอยู่แล้วโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังจึงยากกับนี้ท่านจึงว่าเป็นพัทธกัป เป็นกับที่งามีพระพุทธเจ้ามาบัตทั้งห้าพระองค์ระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับกับพระองค์หนึ่งที่มาต่อเนื่องกันท่านเรียกว่าพุทธันดอนพุทธันดอนนี่ก็ระยะเวลาจะเนิ่นนานอระหว่างกับหนึ่งกับกับหนึ่งระหว่างกับหนึ่งกับกับหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าอันตรกับอันนี้ระยะเวลาต้องเนิ่นนานไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ สร้างบารมีเพื่อจะได้คุณสมบัติของธรรมเหล่านี้มาประกาศมาบอกมาสนท่านจึงว่าการอุปบัติของพระพุทธเจ้าอุปบัติยากปรารถนามากมายมหาศาลแต่โอกาสที่จะแข่งให้ได้หนึ่งเดียวนี่ยากมากไม่รู้เท่ากับขนคอกี่ตัวไม่รู้แหละจะได้แค่เท่ากับเขาโคสองเข่าเท่านั้นแหละขนโคมีมากเท่าไรรอบตัวมันสิบตัวหรือยี่สิบตัวหรือร้อยตัวหรือพันตัวกไม่รู้นะ คนโคลคนที่ปรารถนามากมายถึงขนาดนั้นแต่จะไปให้สุดได้อย่างมากแค่หนึ่งเดียวหรือไม่ก็แค่เข่าโคลสองข่าเท่านั้นเพราะผู้ติดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องใจเด็ดใจเดียวใจแข็งแกร่งแข็งข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรขอใได้ขอใไ ด, ใได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนึ่ง สละชีวิตเป็นทานเป็นบทเป็นด้าบทอยู่ในปากเป็นดาบทอยู่ในปากเสือเห็นแม่เสือลูกอ่อนกําลังจะกินลูกมันโดดไปให้เสือกัดกินให้ชีวิตเป็นทานแนะ่เสือเป็นสัตว์ในไร่ฉานทําไมต้องไปเสียสละชีวิตให้กับเสือซึ่งเป็นสัตว์ในไร่ฉานเสือเป็นสัตว์ในไร่ฉานก็ตามแต่มันยิ่งใหญ่ด้วยจิตใจผู้เสียสละอืม ไปเสียสละกับอะไรถึงจะเกิดประโยชน์เสียสละให้เสือกินเป็นอาหารของเสือเกิดประโยชน์อีกมีคุณค่าในหัวใจของผู้เสียสละเป็นเรื่องสําคัญทานอุปบารมีเสียสละอวัยวะเป็นทานในยุค ป, ปัจจุบันนี้เราพรอจะได้ยินเช่นอย่างเรามาได้ยินข่าวว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่าภรรสามีไตาวายทั้งสองข้าง ภรยาไตดีทั้งสองข้างภรยาแบ่งให้สามีเอาไปใช้สักครึ่งหนึ่งได้ใช้ไตคนละข้างได้มีชีวิตอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันนี่ท่านเรียกว่าให้อวัยวะเป็นทานแต่ยุคปัจจุบันที่เราอยู่นี้เนี่ยเราเห็นว่าคนที่จะเสียสละชีวิตเป็นทานไม่มีไม่มีอย่างที่พวกเราได้ยินพระพุทธเจ้าท่านเอาทรงอรรมตรสที่ว่าพระองค์เป็นดาบดุอยู่ในป่า โดดไม้เสือกินให้เสียสละชีวิตเป็นทานหรือไม่อีกพระองค์เกิดเป็นบัณฑิตที่เรียกว่าสัสร์บัณฑิตเป็นกระต่ายอยู่ในป่าโหลดเข้ากองไฟให้ฤาษีฤาษีได้เอาไปกินเป็นอาหารเกิดประโยชน์นี่เสียสละชีวิตเป็นทานความปรารถนาหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นทานของนอกกายเหมือนอย่างพวกเราฟังเรื่องพระเวสสันดรให้ ชาลีกันหาให้มัดสีเป็นฐานเนี่ยพวกเราก็ฟังไม่ได้ทำไมพระเิสุทดอนขาดเมตตาแลือเกินโดยเหตุที่เราไปเอาใจของท่านมาใส่ใจเรามันใส่ไม่ได้ดอกเราเอารักใจเราไปใส่ใจท่านเราทำได้เหมือนท่านไหมเราทำไม่ได้เพราะความปรารถนาไม่เหมือนท่านทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงชาลีมัดสีกันหา รวมทั้งอวัยวะเ อ, อ่ยรวมทั้งชีวิตเ อ, อ่ยที่พระองค์เคยเสียสละไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นที่รักของพระองค์แต่พระโพธิญาณพระองค์รักยิ่งกว่ารักยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้นเพราะฉะนั้น เ, เอาใจของพวกเราบางคนก็ม า, มาต่อว่าแต่ ว, ว่าพระพิชรนบ้างอะไรบ้างโดยเอาจิตของเราไปเทียบกับจิตท่านมันเทียบกันไม่ได้ดอกเทียบกันไม่ได้ ท่านนี่มองเห็นทุกเป็นโทษเราเมาอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเมาในลาบเมาในยศเมาในชีวิตเมาในวัยเมาในความไม่มีโรคพวกเราเมาทุกอย่างความเมาเหล่านี้แหละทำให้เราลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวทําให้เราลืมศีลลืมธรรมทาให้ลืมเราลืมข้อปฏิบัติทําให้เราลืมหลักธรรมสาคัญสำคั ญ, คญที่พระพุทธเจ้าท่านใดตรัสรู้มาแล้วมาบอกมาสอนพวกเรา ไม่มีกรจิตกระจใยที่มาถึงตามประพฤติตามปฏิบัติตามให้ความสําคัญกับการเะแสวงหาปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อชีวิตมนุษย์เราอาศัยสิ่งเหล่านี้ยังไงสัตว์เขาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เช่นนั้นเหมือนกันถ้าหากเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญเรามาเห็นเรื่องหลักของศีลของธรรมเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเกือบพอๆกับสัตว์ เราจะเห็นว่าในบรรดาคนผ่านทั้งหลายทั้งปวงจิตใจไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ที่ไหนสร้างทุกข์สร้างโทษสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายอยู่ที่ไหนมีการเบียดเบียนการทุกข์ผลทุกแห่งก็เพราะว่าความไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่เองความไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องอารเรื่องธรรมไม่ไดเอามาใส่ใจมาตั้งอกตั้งใจประพฤติตามประพฤติตามปฏิบัติตามเนี่ยหลวงพ่อ ท่านพาพวกเราทาอย่างนี้เพื่อทำให้เราไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวหันหน้าเข้ามาตั้งอกตั้งใจช่วยกันให้ทานช่วยกันบริจาคทานทานทรัพย์สมบัติทานสิ่งของสิ่งของที่ท่านมีความต้องการจะเอามาใช้สอยเปิดโอกาสให้กับพวกเราช่วยคิดด้วยสติด้วยปัญญาทำให้เกิดประโยชน์ <c oughs> เพราะอาศัยความเมตตา ด้วยเหตุ น, นั้นวันบรรจุครบรอบเช่นนี้พวกเราก็ไม่ลืมบุญลืมคุณของท่านที่พันท่านพาจัดพาสร้างพาทำด้วยความกตัญจูประกันจัดประกันทำเพื่อบูชาคุณของท่านเหมาะสมกับเป็นภูชนิยะบุคคลบูชาจะภูชนียานังเอตัมมังคารุบุตัมมังให้ตั้งอกตั้งใจสร้างและกระทาไปเถอะเป็นอุดมมงคลเป็นสริริเป็นมงคล ผู้ที่ควรยกย่องเชิดชูบูชาแล้วก็ฟังคําบอกคําสอนเอาไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามอันนี้เป็นเยี่ยงอย่างของโลกการได้ได้ยินเสียงได้ยิดได้ยินได้ฟังเสียงปราดเสียงบัณฑิตพูดเรื่องปิดเรื่องถูกเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องสุงเรื่องทุกเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรเอาใจใส่และตั้งออกตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามถือว่าพวกเรามีโอกาสอืม มีโอกาสเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อเอาคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจ <c oughs> เอาทั้งใจนั่งฟังไปแล้วก็นั่งภาวนาไปด้วยน ะ, อะพอเรามาพูดพอเราพูดมาถึงตรงนี้เราควรจะคว้าอะไรที่มันควรจะติดไม้ติดมือ จาะมาที่ใจของเราจาะมาที่ใจของเราเราจะไม่อยู่ห่างจากตัวเราแล้วเจาะมาที่จิตของเราจาะมาที่กายของเราที่เราตั้งใจภาวนาฟังเทศไปด้วยไม่เสียความเคารพให้ตั้งอกตั้งใจฟังได้เพราะการตั้งใจภาวนานั้นมันเป็นวิธีการที่ อุบัติขึ้นมาจากผู้บรรลุธรรมคือพระพุทธเจ้าทดสอบขวนขวายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การสาะแสวงหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปศึกษากับอุทกกัะดาบทอลอาราระดาบทได้รูปสมาบัติก็ตามได้อรูปสมาบัติก็ตามเป็นระดับขั้นของความสงบอาจารย์บอกว่าเธอเรียนความรู้ของเราจบหมดแล้วจะพระองค์ย้อนมาดูพระไทรของพระองค์ ความทุกข์ทั้งหลายยังกองเต็มแปร่อยู่ในพระไท่ของพระองคอ์ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอาจารย์ทั้งสองนั้นท่านก็ไปตีประตันอยู่แค่นั้นแหละท่านแสวงหารู ป, ปรสมบัติอรู ป, ปรสมบัติสิ้นระยะเวลาคนลอายุหกสิบปีเจ็ดสิบปีแต่พระพุทธเจ้าของเราไปเรียนจบภายในระยะเวลาที่สั้นจะ แ, แล้วหลังจากเรียนจบแล้วย้อนมาดูพระไท่ของพระองค์ ความทุกข์ห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลอะไรทอะไราสรารพัดอยู่ในพระไัยของพระองค์ยังไม่สมใจที่พระองค์ทรงออกออกเพื่อหาคําตอบว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายกันแน่นี่คือความคล่องใจในพระไัยของพระองค์แต่พวกเราโอกาสที่เราจะนึกจะคิดแบบนั้นไม่มีแต่พระองค์นั้นสัมมาสัมพุทธะกระตุน้นเตือนในพระไถยของเรา ทำใทพระองค์ต้องได้หันมานึกมาคิดมาพิจารณาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ตุ้นเตือนรบเร้าหัวใจอยู่ทุกระยะทุกเวลาแม้แต่อยู่ครองคราวาสมีพระชา ย, ยามีพระโอรสคือพระราหลุลสิ้นระยะเวลาในการอยู่ในคราวาสต้องยี่สิบเก้าพันศายีาพันศา ถึงได้ออกบวชเพราะแรงเหนี่ยวรั้งของพระบิดาไม่อยากให้พระองค์ได้ออกบวชเสาะแสวงหาอยู่นั้นในที่สุดอดรนทนรบเร้าต่อบุญญาบรารมีที่จะเกิดมาเพื่อเอาสัตว์ข้ามพ้นจากโขละสงสารเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้พระองค์ได้ออกเราดูตามตำนานบางตำนานก็บอกว่าพระองค์ออกซึ่งซึ่งหน้านี่แหละบางตำนานก็บอกว่าพระองค์หนีออกบวชนีย คือจะทำยังไงก็ตามแต่ว่าพระองค์ได้ออกออกให้พ้นจากกรงขังขั้นหนึ่งระดับหนึ่งที่ผูกมัดกายของพระองค์ให้ออกไปได้บำเพ็ญโดยลาพังพระเจ้าสุโทโธสนาพยายามตั้งข้อสังเกตว่าอะไรเป็นเหตุให้ลูกเราได้ออกบวชตั้งใจใจะอยู่ให้อยู่ปกครองเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอะไรเป็นเหตุให้ลูกเราออกบวชทราบว่าวความแก่ความเจยบความตาย เลยพยายามกีดการทุกอย่างไม่ให้เห็นความไม่เห็นไม่เห็นคนแก่ไม่ให้เห็นคนเจ็บไม่ให้เห็นคนตายถึงกระนั้นก็ตามบุญญาบารมีมาถึงแล้วเทวดาแปลงมาที่เรียกว่าเทวดาทูเทวดาทูเทวดาส่งมาบรรดาให้เห็นคนแก่บรรดาให้เห็นคนเจ็บบรรดาให้เห็นคนตายพวกเราเห็นแล้วพวกเราเคยย้อนมาดูตัวเราไหมเราไม่เคยย้อนมาแต่พระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ มีวิสัยอย่างนี้กระตุ้นเตือนเห็นคนแก่เอ้เราก็ต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราก็ต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายเนี่ยเห็นบรรดาเนะีให้เห็นสมณะมนี่แหละคือกิริยาหรือวิธีการที่จะทำให้เราออกไปบำเพ็ญเพื่อจะได้สะแสวงหาว่าอะไรเป็นคำตอบเพื่อที่จะทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราเกิดด้วยเหตุใดเราตั้งอยู่ด้วยเหตุใดเราเปลี่ยนไปด้วยเหตุใดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยหันมาบำเพ็ญกับความนึกคิดของพระองค์เองที่จะเรียกว่าออกมาบำเพ็ญทางด้านจิตใจท่านไปบำเพ็ญทางด้านจิตใจนั้นท่านไปบำเพ็ญแค่สมถะ แต่หลังจากนั้นมาแล้วก็มาทรมานด้วยอัตคิรธรรมฐานุโยะทรมานกายทรมานกายอย่างอดอาหารเงี้ยกลั้นลมหายใจเงี้ยอดพระกยาหารกัดฟันกับฟันเงี้ยกั้นลมไม่ให้ออกทางปากไม่ให้ออกทางจมูกเนี้ยนี่เรียกว่าทรมานกายทรมานกายแต่ว่าต้องการธรรมะเกิดที่ใจ เรฟังดูเหตุผลแล้วมันขัดแย้งกันนะทรมานร่างกายแต่ต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจญอย่างพวกเราอดอาหารอย่างทุกวันนี้เราไม่ใช่อดอาหารเพื่อต้องการมัดผลจากการอดอาหารแต่เราต้องการอดอาหารให้ร่างกายเบาสบายเพื่อจะได้ภาวนาเบาสบายปลอดโปร่งร่างกายไม่ถูกอาหารกดทับในเมื่อร่า ง, างกาย รับทานอาหารจนอิ่มจนเต็มแพร่ร่างกายก็กดกดทับยินใจทําให้จิตใจของเราเนี่ยมืดทึบไม่เบาสบายไม่ปลอดโปรง่งทาความสงบทําความสงบได้ยากทุกเขเวทนาก็มากเราตั้งใจอดอาหารแต่เราตั้งใจภาวนางานของเราคืองานภาวนางานภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาคือทั้งด้านจิตใจ ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นหนทางอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพองค์จึงมาออกช่องทางใหม่มัชฌิมาปฏิปทานสินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาอันนี้เป็นช่องทางเดินในธรรมจกักรท่านเอามาแสดงทางที่ไม่ควรเดินสองทางอัตเกลมรอัตกิลมัฐานุโย ก, กามสุขาริการนโยทุกวันนี้ถ้าเผื่อหากเราไม่ทำอัตตกิลมัฐานนโย และเราไม่ได้เดินทางสายกลางด้วยแล้วพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกามมัสุขาลิกานุโยกประกอบตนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องกามอย่างเดียวพระองค์ทรงทรตำหนิการอยู่แบบไม่ได้ตั้งใจปฏิบททัติตามมัตเจียมาปฏิป ท, ทาคือทางสายกลางเพราะฉะนั้นท่าพระองค์จึงทรงตำหนิกามมสุขาลิกานุโยกเป็นของต่ำเป็นของเลวเป็นของต่ำ เป็นของที่จะทํามัดให้เราอยู่ในภพในชาติไม่จบไม่สิน้กส น, นการมรสการและการนิยมเช่นอะไรแสวงหาลาบแสวงหายศแสวงหาเอียดแสวงหาอะไรอะไรสารพัดว่าจะได้เป็นเอาว่าจะได้เปลี่นเา่าไม่คํานึงว่าผิดชอบชื่วห ด, ดีนี่คือการมรสนนการและการนิยมและที่สําคัญที่สุดก็คือยอดของกามคือการมราคะเราดูสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นเตือนทําให้จิตใจของเราเร่าร้อนมากน้อยเท่าไหร่เราดูสิ ถ้าหากเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ประกอบอัตเกตธรรักฐานโยธรมานการแหเน็ดเหนื่อยเปล่าและเราไม่เดินตามมัชชิมาปฏิปทาเรายังอยู่ในกามมัสุขาลิกานโยป ร, ประกอบตนโอนอ่อนผ่อนผันไปตามอำนาจของกามเรื่องของกามทั้งหลายถ้าเราจะเทียบเหมือนไม้สดไม้สดนั้นมันชุ่มด้วยหยา แต่พวกเราเนี่ยจิตใจของเราเต็มแพร่ด้วยกามและยังไม่พอเรายังบริโภคกามทายาเทียบกาไเหมือนไม้สดชุ่มด้ยยียางแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ําอีกบุรุษต้องการเอาไปเสียให้เกิดไฟพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าแต่ท่านไม่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทาบุญเรื่องการให้ทานเรื่องการมีเมตตากรุณาสิ่งเหล่านี้เป็นอาณาสองแค่สวรรค์เท่านั้นเอง สมาธิมีอเนกประสงค์ถึงขั้นพรหมโลกอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวปัญญาทําให้เราทําลายความลุ่มหลงในหัวใจของตัวเองไดร้รู้ว่าเราเกิดด้วยเหตุดใดเราตั้งอยู่ด้วยเหตุดใดเราจะแก้ไขยังไงสิ่งใดที่ประกอบเราให้ติดข้องอยู่ในภพในชาติสามารถพิจารณาค้นคว้าโดยอํานาจของปัญญาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่รบเร้าอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงออกบําเพ็ญใช ออกไปบำเพ็ญออกบวชจะนี้บวชหรือจะอะไรก็ตามแต่นั่นแหละคือวิถีทางที่ทําให้ ส, มสัมมาสมบทะเล็ดลอดออกไปได้และตั้งใจบําเพ็ญจะมีใครพยายามหักห้ามกีดกันเท่าไหร่ก็ห้ามไม่อยู่เห็นไหมได้ยินว่ามีพยายามมาไปขวางทางไ ม, ไม่ให้พระองค์ออกบวชภายในเจวันนี้พระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิจะตกมาถึงพระองค์เราไม่ต้องการเราต้องการพ้นทุกข์ ในวัตฏะสงสารจงหลีกลราไปจงหลีกเรไปพยามารห้ามหักห้ามอะไรไม่ได้ทั้งนั้นพยามารมาขวางไม่อยู่พยามารมีฤทธิ์มีเดชกว่าเทวดาทุกชั้นนะคือชาววัสวดีมาเราฟังดูดิตามประวัติที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอยู่สวรรค์ชั้นนุ่นอ่าปรินิมิตวสวัฎีนุ่นสูงที่สุดเพราะฉะนั้นตอนที่เทวดามาไปชนพระพุทธเจา้าอ่า พยามาหมาพยจพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาทั้งหลายที่ตามอารักขาคุ้มครองพระพุทธเจ้าเนี่ยนีตะเลิดเปิดเปิงไพ่ไกลแสนไกลเพราะ ก, กลัวหัวหน้าพยะหัวหน้าของเทวดาเห็นไหมหัวหน้าของเทวดายังเป็นมิจฉาทิฐิและทําไมจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงสุดถึงขนาด น, นั้นเรามนุษย์คนมีอิทธิพลอย่างทุกวันเนี่ยเขาสามารถใหญ่ได้ไหมใหญ่ได้โตได้ถ้าพูดถึงว่ารวยรวยได้ถ้าถือว่ามี มีอำนาจมีอำนาจได้รวยมหาศาลได้แต่มันไปไม่ทะลุไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะพวกนี้มีเมตตาก็น้อยเห็นแก่ตัวทั้งนั้นมีแต่โกยเข้ามากกยเข้ามาไม่เคยโกยออกอย่างที่หลว ง, งพ่อท่านพาเราทำนี่คื อ, คอโกยออกโกยออกเรามาฟังดูเรามาดูืี โกยออกโกยออกคำว่ า, าโกยออกอันนี้คือบา ร, รมีของพุท ธ, ธะคำว่ า, าโกยเข้าโกยเข้าเอามากองเอามาทับถมเอามาเน่าเอามาทิ้งเสียหายเท่าไหรก่ก็ช่างขอให้เราได้คนเดียวยถ้าพูดถึงว่าได้หมดทั้งโลกหนึ่งโลกนี่ยังไม่พอสองโลกก็ยังไม่พอลงตากันว่ า, าให้สามโลกมันก็ยังไม่พอกามาโลกรูปะโลกอารูปะโลกให้ทั้งสมโลกก็ยังไม่พอ อยากได้หมดแดนโลกธาตุก็ยังไม่พอหัวใจมันหิวกระหายอยู่อย่างนั้นอย่างไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าถ้าจะเทียบกับเปรตก็คือหิวเปรตปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาเรามาฟังดูอุปมาว่าท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มกินยังไงมันจะอิ่มไม่มีอิ่มกินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อิ่มกินทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่อิ่มนี่ท่านพูดถึงหัวใจของความอยาก เพราะฉันยิ่งใหญ่ได้ด้วยอำนาจของความอยากไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงสงก็เป็นได้ด้วยอำนาจของความอยากใครยินยอมเป็นบริษัทบริวารสามารถเป็นบริษัทบริวารได้ใครมารู้เท่าเทียมทันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแตกหักไปขั้นใดขั้งหนึ่งนี่คืออำนาจของพญา น, น่คือบารมีของพญานาแต่ถ้าเป็นบารมีของพุทธะแท้ๆเนี่ย เผื่อแผ่เมตตาอ่อนนิ่มเอาใจเราไปเทียบใจเขาเอาใจเขามาเทียบใจเราได้อยู่โอ้ถ้าเราได้อยู่ดิบดีเราก็ดีอกดีใจโอ้ถ้าเขาได้อยู่ดิบดีเขาก็ดีอกดีใจโอ้ถ้าเราหิวเราก็ทุกเราก็ลําบากเออถ้าหัวใจของคนอื่นเขาหิวเขาก็ทุกเขาก็ยากเขาก็ลําบากถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเขาวุ่นวายถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วย เอามาเทียบกับเราโอ้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เราก็เดือดร้อนเราก็วุ่นวายโอถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ก็เดือดร้อนวุ่นวายถ้าหากไม่เอาใจเขาไปเทียบใจเราไม่เอาใจเขาไม่เอาใจเขามาเทียบใจเราเอาใจเราไปเทียบใจเขาเนี่ยเราจะเข้าใจไม่ได้แม้แต่การแผ่เมตตาก็เหมือนกันนะการแผ่เมตตาแผ่เมตตายังไงจิตใจมันถึงจะอ่อนนิ่ม จิตใจมันถึงจะสงบครับคำว่าเมตตาในชนี้มันเป็นอารมณ์ของความสงบเหมือนกันนะการตั้งใจแผ่เมตตานี้ทําให้ใจของเราได้รับความสงบการแผ่เมตตานี้เป็นอารมณ์ของสมถะการตั้งใจแผ่เมตตาแผ่อย่างไงใจของเราถึงจะสงบถึงจะอ่อนนิ่มเอาใจเขามาเทียบใจเราเอาใจเราไปเทียบใจเขาอ๋อถ้าเราเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าเขาเป็นเหมือนเราจะเป็นยังไง ถ้าเป็นเรื่องที่ดีที่งามถ้าเราชอบใจเรามีความสุขใหญ่ถ้าเขาได้เขาก็มีความชอบใจเขาก็มีความสุขใจ <Hotel> โอถ้าเราทุกข์ใจอยู่อย่างนี้ถ้าเผื่อเขาได้ทุกข์เหมือนอย่างเราเน่ <under line> เขาได้ทุกข์ได้ความยากความลําบากได้ความอดอยากขนาดนั้นถ้าเผื่อเราเหมือนเขาเราตีบกันด้วยสติ ด, ด้วยปัญญาเหมือนเขาเราจะเกิดความรู้สึกยังไงท่านให้เ <Für> ทียบใจเราไปเทียบใจเขาเทียบใจเขามาเทียบใจเราอนี้ เที่ยไปที่มาที่มาที่ไปจิตใจก็อ่อนนิ่มการที่เราตั้งใจทำอย่างนี้คือเราสร้างเหตุเมื่อในเมื่อเราสร้างเหตุเพื่อให้เกิดความเมตตาความเมตตก็จะเกิดอ่อนนิ่มในหัวใจของเราจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยน้ำอัดน้ำทำในหัวใจของเราในชาตดกท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าไปอุบัติเป็นช้างเผือกเป็นช้างเผือกอยู่ในปา่า เป็นช้างเผือกอยู่ในป่าแม่ของช้างเผือกนั่นน่ะแม่ของช้างเผือกช้างพังตัวนั้นน่ะไปเหยียบเสี้ยนเสี้ยนที่เป็นไม้ไม้มันต่าจนเนื้อจนเนื้อเนี่ยบวมจนเท้าบวมแป้งจนเหยียบไม่ได้เลยเดินเขยง่งเขย่งเขย่งเขีง่งเขยง่เขย ง, เ, ยงเป็นแม่เป็นแม่ของพญยายช้างเผือก พญายช้างเผือกคือพระพุทธเจ้าประโยบาเป็นพญายช้างเผือกในยุคนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ตอนนี้เรามาพิจารณาดูว่าโอโ้โเดินปวดเท้าก็บวมเดินเก็บเดินขยันขยันขยัน เ, เราลองเอาใจเราไปเทียบใจใจพญายช้างซึ่งเป็นซึ่งเป็นสัตว์เอาใจพญายช้างมาเทียบกับเราเอาใจเราไปเทียบกับพญายช้างเทียบไปเทียบมาเทียบมาเทียบไปท่านจะได้รับความเมตตาสงสารขึ้นมาทันทีโอ้สองสารเนานะ แต่แม่ช้างพังตัวนั้นฉลาดเห็นพวกช่างไม้เขาไปตัดไม้ในป่านะเดินเขายังเขยังลากขาข้างหนึ่งไปเพราะเหยียบไม่ได้มันถูกเสี้ยนปักจนบวมเป้งงีน่มันจะเน่าเฟะอยู่ในนั้นพนะอพวกช่างไม้ที่เขาไปตัดไม้เขาเห็นเอ๊ะแม่ช้างตัวนี้แปลกมาทำไมไปดูเห็นว่าโอ้ที่เท้าเนี่ยเป็นเลือดช้าเลือดช้าหนองอมีเสี้ยนปักอยู่ในนั้นเนะลยพากันไปดึงออกให้ พอไปดึงออกให้บีบออกหานน่นมาใส่หานี่มาใส่หายามาใส่กลายเป็นว่าแม่ช้างตัวนั้นเนี่เป็นผู้รู้บุญรู้คุณกัตันโยกตะเวทีช่วยในงานไม้นั่นแหละช่วยดึงไม้ช่วยลากไม้ช่วยกลิ่งไม้ช่วยยกไม้ช่วยอะไรต่ออะไรนะั้นนหะแน่กลายเป็นผู้ะเห็นบุญเห็นคุณของพทูที่ช่วช่วยนี่คือการที่เรามีเมตตาเขาเขาก็เห็นบุญเห็นคุณเรา เขาเห็นบุญเห็นคุณเราเขาเร า, ขาเขาเห็นบุญเห็นคุณเราเราก็เมตตาสงสารเขาหรือเราเห็นบุญเห็นคุณของเขาอยู่มาวันหนึ่งอ่ะแม่ช้างตัวนั้นหายไปหายไปพวกช่างก็แปลกใจเออแม่ช้างหายไปไหนช่างพังตัวนี้หายไปไหนไปพาลูกมาคือพญายช้างเผือล ก, กลูกกำลังงา ม, มอย่างเงี้ยลูกช้างเผือกอ่ซึ่งเป็นเป็นเป็นช้างเผือก เป็นช้างไอาชานายว่างั้นเถอะไปพามาเอามาช่างไม้เห็นช่างไม้เห็ น, นเห็นพญาช้างเอามาก็เลยมอบแม่เนี่ยเอาลูกมาให้มาทดแทนคุณนะเอาพญาช้างเผืองเนี่ยมาให้ทดแทนคุณอันนี้เราพูดในแง่ว่าช้างบาดเจ็บซึ่งเขาไม่ใช่สัตว์นะเขาเป็นช้าง เรามาเทียบดูแล้วเรามอง ใ, ให้เห็นภาพพจนว่าการเจ็บการปวดถูกหนามเสื่อมเส้นไ ม, ม้ทิ่มแทงถึงขนาดนั้นน่ยโอ้เดินเจ็บเดินปวดสักขนาดไหนเรามาดูถ้าเกิดปักไม่อยากปักจิตของปักเท้าของเราบ้างเดินเจ็บเดินปวดไม่มีคนเอาออกให้จะเกิดความรู้สึกยังไงเราพิจารณาย้อนกลับไปพิจารณาย้อนกลับมานี่คือการตั้งใจพิจราจรณาเจ้าของเคยพิจรารณาตามมิตตาม ตามอันนี้นะพิจารณาไปพิจารณามาเกิดสลดใจเกิดสังเวชใจเกิด เ, ดเมตตาถึงอกถึงใจขึ้นมาทันทีเลยนะนการทั้งใจแผ่เมตตาแบบนี้ได้ผลนะถ้าท่านคิดไปอย่างอื่นคิดไปอย่างอื่นจงเป็นสุขเปสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอมันยังไม่ถึงใจดอกเอาใจเขามาเทียบแก่เราถ้าเรามีความสุขเป็นยังไงถ้าเขามีความสุขเป็นยังไง ถ้าเรามีความทุกข์เป็นไงถ้าเขามีความทุกข์เป็นยังไงเราจิตใจว่าเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะได้ช่วยกันเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดถึงปัญหาปัญหาเรื่องคนตายบ้างปัญหาเรื่องเนี่ยผู้นอนติดเตียงบ้างเนี่ยผู้นอนติดบ้านบ้างอะไรบ้างไม่มีคนช่วยเหลืออะไรเลยหลวงพ่อท่านก็ทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญญาบารมี แสดงแผ่เมตตาให้กับเราให้กับเขาอย่างนี้มันเกิดประโยชน์อันนี้มันเป็นการสร้างบารมีบารมีแบบนี้ท่านเรียกว่าบารมีเพื่อความเป็นพุทธะไม่มีโอกาสที่จะกอบโกยเข้ามามิได้โอกาสที่จะโกยออกโกยออกโกยออกเราเคยฟังลงตากันเทศไหมลงตากันเทศว่าโอ้ยด้วยความสงสารด้วยความเมตตาเนี่ยถ้าเกิดเรามีทรัพย์ตั้งขนาดสมภูเขาเนี่ยเราจะเอารถ เราจะเอารถทิศเตอร์หมดไท่ปลาไ้เกลี่ยงหมายความว่ามาแกให้เกลี่ยงไปหมดเลยยิ่งแก้ขลังก็ยิ่งมาที่แต่ละการมันก็ยิ่งมาพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ใช่ไม่ใช้บา ร, รมีแบบนี้ท่านไม่มีโอกาสที่จะได้คุณธรรมเหล่านี้เพระชนะพยายามอานไปอ้างว่าสมบัติจกักรพรรดิจะเกิดในพระองค์ภายในไม่ระยะไม่กี่วันโอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยเองสมบัติจกักรพรรดิ พระองค์เสียสละมามากไม่มหาศาลยิ่งกว่านั้นพระองค์จะไปอัศจรรย์อะไรไม่อัศจรรย์เลยสมบัติจะมีมากน้อยจะไร่พระองค์เสียสละมาทานบารมีทานอุปบารมีทานพระมรั a t t h a b a เสียสละมาหมดแล้วไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับพระองค์สร้างสร้างเนื้อสร้างตัวของพระองค์ด้วยธรรมมาจึงเป็นเหตุให้พระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ รยะการตั้งใจตั้งออกตั้งใจสร้างบุญญาบารมีเราต้องออกตั้งใจสร้างประเสริฐเรื่องการสร้างบารมีนี้เราสามารถสับเปลี่ยนได้คือเดินรอยตามของท่านนั่นแหละถึงแม้เราจะปรารถนาเป็นสาวกแค่สาวกกระโผ ก, ก็าตามถ้าหากเราเงอมืองอตีนอยู่โอกาสที่จะเราจะก้าวหน้าไม่มีสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วอืม คือทานคือศีลคือสมาธิคือปัญญาซึ่งเป็นธรรมจักรที่พระองค์หมุนไปปัญญานั้นมันเป็นงานที่พระองค์ทรงค้นพบคน้นคว้าทรงพบด้วยพระองค์เองเรื่องสมาธินั้นพระองค์ได้ศึกษามาจากโอทกดาบทอาราดาบทแต่เรื่องปัญญานะั้นพระองค์ทรงขวนขวายเองหลังจากพระองค์ทร ง, งตัดสินพระทัยว่าอน่าจะไม่ใช่หนทางนะ องค์จึงเปลี่ยนวิธีบําเพ็ญใหม่เปลี่ยนบำพีวิธีบําเพ็ญมาเป็นทําความเพียรทางด้าน จ, จิตใจมาระลึกถึงกันการทําความสงบการทําความสงบพระองค์แทบไม่จําเป็นแล้วเพราะพระไทยของพระองค์เนี่ยเข้ารูปปัสมะบัติอรู ป, ปรสมะบัติเข้าได้หมดความสงบสงบละเอียดลึกพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์เข้าละเอียดลึกสูงสุดอืแต่บรรดาอาจารย์ทั้งสองนั้นอะ ท่านไม่มีปัญญาท่านอาจจะไม่มีบารมีเพื่อสัมมาสัมพุทธะก็ได้ไม่มีโอกาสที่จะสะแสวงหา้วยเหตุที่ติดในองค์ฌานเหล่านั้นแหละอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาถ้าหากไม่มีตัวตนแล้จะเอาอะไรมาสุขเพราะฉะนั้นละอัตตาตัวตนตรงนั้นไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความสุขทางโลกีรูปปัจจมาบัตอรูปปัมาบัต เป็นความสุขที่เยี่ยมที่สุดละเอียดสูงสุดยิ่งกว่าพวกเราไปสะสะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติที่เป็น ว, วัตถุภายนอกแต่มันเป็นความสุขขั้นโลกีเท่านั้นเองพระองค์ไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์จึงมาสะสะเสาะแสวงหาด้วยพระองค์เองเสาะไปเสาะมาเสาะมาเสาะไปหลังจากพระองค์ตัดสินพระไถยเรามาทราวบว่าวันเพ็ญเดือนหนั่นแหละพระองค์ทรงตั้งปณิธานตั้งแต่หัวค่ำพฤติกรรมในวันนั้นตอนเช้าพระองค์ทรงรับข้าวมัททุกปลายาติจหนอาสุชาดา แสดงว่าวันนั้นพระองค์ทรงเสวยพระกริหารเต็มเต็มอิ่มเลยแหละวันนั้นเถ อ, อะถวายถวายนางข้าวนางสุยาดักถวายข้าวมาทุกปยายาตนางจะประรกอะไรกับตามแทมนางประรกว่าถ้าหากนางได้แต่งงานอขอให้แต่งงานกับคนที่มีทรัพย์เท่ากับนางก็ได้สมสมหวังสมใจแล้ว ถาได้ลูกผู้ชายถ้าได้ลู ก, ถ, ลก ถ, ถ้าได้บุตรคอได้ลูกผู้ชายคนแรกนางก็สมหวังแล้วแต่สมหวังวันนั้นหรือสมสมหวังนานมาแล้วเท่าไหร่เราเราไม่ทราบน ะ, ะทราบแต่ว่าวันนั้นไปบวงสรวงเทวดาแก้บนุนเพราะสมหวังหมดแล้วให้เบาวให้คนใช้ไปดูที่ต้นโพเห็นพระพุทธเจ้าเปล่งปลั่งด้วยรัศมีคนใช้คิดว่าเป็นเทวดาแม่เจ้าเทวดามาคอยอยู่แล้ว รีบเอาข้าวมัทุปายาตไปพระพุทธเจ้าท่านมีรัศมีเปลงปลังสองวาระวาระวันที่จะตรัสรู้หนึ่งวันที่จะปรนิพาหนึ่งรัศมีของพระองค์จะเปลงปลังผุดผาดผ่องใสดูผิวผิผวพรรณสดใสเปลงปลังว่างั้นเถิดมีรัศมีนั้นนางสิชาดากรีบเอาข้าวมัทุปายาตไปถวายไปถวายทั้งถาดทองคําเลยกลายเป็นธรรมเนียมว่า ท่านได้เอาถาทองคํานี้ไปลอยตามธรรมเนียมของพุทธะเป็นงนั้นข้ามัตุกปายาตพระองค์ทรงรับทั้งทั้งทองคําทั้งถาทองคําแล้วไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราไปปั้นปั้นปั้นปั้ น, นได้49ก้อนแล้วไปเสวยจนหมดที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราวันนั้นอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราทรงสำราญอิริยาบถอยู่แถวนั้นทั้งวันเวลาพลบค่าเดินมาที่ตนโพเมพบคน สวายายาค า, านายสดทิยสวายาขาแปดกรรมพระองค์รับมาเลกมาปูเป็นบรรลังนั่งหันหลังใส่ต้นโพตั้งจาตุรงค์พะมหวาวทาารสี่ยานนะตั้งพระไทยคือตั้งสัจจาธิฐานตั้งสัจจะและอธิฐานเนื้อเลือดเือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตาม ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมพระสัมมาสัมพธิยานเพียงใดจับไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดเรามาคิดดูที่พระองค์เด็ดขาดไหมตั้งสัจจะบา ร, รมีนี่เรียกว่าจาตุรงค์ะมหาวัานมีสัจจะสี่เป็นที่ตั้งเนื้อเลือดหนังกระดูกเนื้อเลือดในพระวรากายทั้งหมดของพระองค์เหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามเหลือแต่เอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดยังไม่ ไม่ได้บรรลุธรรมไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมจะไม่ลุกขึ้นเด็ดขาดจากนั้นแล้วก็เริ่มเริ่มตั้งแต่หัวค่ำไปท่านพูดถึงพยามารมาต่อสู้เอ่ยมาลาย่านไปจนหมดแล้วท่านพูดถึงพุทธมยาพระองค์ได้บรรลุปุปเพนิวาสานุสติญาณตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําความสงบนะความสงบของพระองค์เนี่ยพร้อมหมดสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วรูปปัสมบัติอรูปปัสมะเพียงแต่กาหนดจิตก็ หยุมันก็เข้าล็อกหมดอ่ะสงบคิงนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ท่านก็เอามาขนาดขนาดพิจารณาได้พิจารณาได้ก็ทรงพิจารณาตั้งแต่หัวขั้มพิจารณาลงอาตาอาณาปานสติท่านพูดถึงว่าพระองค์ได้บรรลุปุเพนิวาสารสติญาณในปฐมยามรู้ภพชาติเบื้องหลังของพระองค์มารู้กี่กับกี่วัตตะกับกี่สังวัตตะกับ กี่วิวัติกับรุกย้อนหลังไปรู้จักจบพบชาติของพระองค์เกิดเป็นนู้นเกิดเป็นนี้เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนเกิดเป็นคนดีคนชั่วยชาลามะเกิดเป็นอะไรอะไรสารพัดเราลิกได้ไม่รู้จักจบระยะเวลาที่เนิ่นนานูนานเบื่อหนายเลิกเกินนอยชีวิตพอยามที่สองก็ได้จตุก ป, ปาทิยานคำวิญญาณในชนี้หมายความว่ามันเป็นผลวิเศษปรากฏขึ้นในพระไถยของพระองค์มันเป็นปัญญาชั้นเยี่ยว และมีความมีข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นทั้งหมดเป็นที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้แลลว่าเป็นของจริงสาเร็จรูปปรากฏโผล่ขึ้นมาในพระไถยไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ของปลอมเป็นยานณทัศน์ยามที่สองรู้การจุดติของสัตว์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกรรมนุ่นเกิดจากนุ้นทากรรมนุ่นมาเกิดเป็นนี้ตายจากนี้ด้วยเตศทากรรมนี้นจะไปเกิดเป็นนุ้น ทั้งปฐมยามทั้งทั้งยามธรรมกลางเห็นการเกิดการตายพบชาติของพระองค์และพบชาติของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งปว ก, ไ ม, มก ไ, มไม่รู้ไม่รู้จักจบไม่มีที่จบเป็นเหตุทำให้พระองค์เบื่อหน่ายในพบชาติหมุนไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่หย่อนเพราะจิตจ่ออยู่กับหนทางว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตายกันแน่จ่อไปจ่อมามันก็ไล่เข้าไปแล้วก็ไปเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทที่ท่านท่านพูดเอาไว้นั่นแหละปฏิจจสมุปบาท ที่พระองค์มาทรงทบทวนนะพระองค์ทรงทบทวนหลักปฏิจจสมุปบาทเราไปดูตอนพระองค์บรรลุ ธ, ธรรมแล้วพระองค์สงศสวยวิมุดทีสุขอยู่ทรงทบทวนหลักปฏิจจสมุปบาทต่านตั้งตนที่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปไปจนถึงหนูโสกะปริเทวะทุกขทโทมานัตย์คือเหตุเกิดของทุกเกิดโดยลําดับอย่างนี้ไปจนถึงขั้นสุดท้ายโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสะอุปายานนี่คือเหตุเกิดของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเลยทราบที่มาที่ไปก็หมุนอยู่ตรงนั้นแหละจนยามสุดท้ายท่านบอกว่าบรรลุอาสวัคยายานความเศร้าหมองของใจที่เต็มแพร่เพราะดุิเลตันหาอาสวะในพระไทยัยหือดแห้งหายไปหมดด้วยตปะปักธรรมธรรมะที่กําลังหมุนอยู่ในพระไทัยนั้นถ้าเราจะเทียบก็เหมือกนกันตบตะปัธรรม เหมือนกับว่าเป็นไฟไปแผดเผาไม้ตัวนั้นจนเหือดแห้งเป็นไม้แห้งไม้ที่เคยชุ่มแปร่ไปด้วยน้ําเพราะมันไม้สดมันชุ่มแปรด้วยน้ําชุ่มแปรไปด้วยยางมันมันเคยชุ่มแปร่แล้วเคยแช่อยู่ในน้ําอีกอกลายเป็นน้ําแห้งพระไทยของพระองค์เป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนไม้แห้ง เป็นเหมือนไม้แห้งแล้วคัดสีอยู่ในนั้นนี้มันวิสัยเป็นวิสัยของสัมมาสัมพุท ธ, ธะจะต้องได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะบา ร, รมีส่วนนี้ก็ทำให้พระองค์ต้องส่แสวงหาถึงแม้ว่าจะเสียเวลาทั้งหกปีก็ตามแต่มันก็เป็นเหตุเป็นผลที่จะทําให้พระองค์เนี่ยได้ความรู้กว้างขวาง ม, มาบอกมาสอนพวกเราพอพิจารณาไปถึง หลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระองค์ทรงไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปด้วยตปธรรมเหล่านั้นทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสะวะยายาัคยญาณกิเลสตันหาอาสะวะในพระทัยของพระองค์เหือดแห้งไปทําให้พระองค์ย้อนไปดูพระทัยของพระองค์ไดเปลี้ยนกล่กลาวบริสุทธิ์หมดจดโดชิ้นเชิงโอ้หัวใจแล้วมีญาณบอกว่ากิเลสทั้งหลายในพระทัยหมดแล้วที่เรียกว่าอาสะวะอาสะวัคยะคยะแปล ว, ว่าสิ้นไปอาสะวะทั้งหลาย คือภพอชาติทั้งหลายที่มันเคยดอกพระองค์อยู่ในในภพในชาติไม่จบไม่สิน้นสิ้นไปจากพระไทยของพระองค์มรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพุทธญาณเห็นกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นโดยลําดับเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงหลักการเกิดของกิเลสเมื่อมันเกิดมันเกิดที่เรียกว่าหลักไล่ไปจนสุดเมื่ออวิชชาอ ย, ย่างมีอยู่ มันจะมีกองสังขารจะมีวิญญาณมันจะมีนามรูปมันจะมีสลายตนะมันจะมีผัสสะมันจะมีเวทนาเพราะมาถึงเวทนาตรวนี้ตันหามกระแทกเข้ามาแล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายตันหามก็เพิ่มเข้ามาอีกตันหาใหม่เกิดขึ้นตันหาเก่ามผส่งมาแล้วตันหาใหม่เกิดขึ้นเมื่อตันหาใหม่เกิดขึ้นเกิดตันหาเมื่อเกิดตันหาแล้วก็มีพพเมื่อก็มีพพ ก็มีชาติคือต้องจะต้องไปเกิดในภพอ๋อการเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันเกิดเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ด้วยวิธีนี้ไล่ไปทั้งประเภทสมุทัยเกิดทั้งประเภทสมุทัยดับไล่ไปไล่มาจนได้ผลุอาสวัคคยานและทั้งพูดถึงว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายมันดับดับดับดับในเมื่ออวิชชาดับจิต ด, ดวงนั้นก็เป็นจิตที่มีวิชชาสว่างโรเรามาทดสอบ พิสูจน์ดูในหลักปัจจุบันที่เรากำลังนั่งอยู่นี้เราย้อนมาดูที่ใจของเราตราบใดที่เราปลุกจิตของเราให้ตื่นโรูด้วยสติด้วยสัมผชัญญาเนี่ยสักจะว่ารู้หนึ่งเดียวเนี่ยสักจะว่ารู้หนึ่งเดียวในใจของเราเราสามารถทําไดเ้เพราะฉะนั้นสมถะจึงเกื้อกูลกับวิปัสสนาสมาธิจึงเกื้อกูลกับปัญญาหลวงตาท่านสอนให้เจริญไปสลับกันไป ช่วงที่เจริญสมาธิให้เจริญให้เต็มที่เพราะสมาธินั้นเป็นหลักของใหญ่เราต้องการเอาจิตมาใช้กับอารมณ์หนึ่งเดียวเพื่อพิจารณาให้เกิดทางด้านปัญญาจิตของเราก็ไม่หิวโอยไม่โดดดิ้นไปตามอำนาของตัณหาตัณหามันจะมาแทรกได้ยากเพราะฉะนั้นจิตจิตจึงสามารถทํางานทํางานได้อย่างเต็มที่ปรองทรงตรธรทรมะที่เป็นเปรียบเสมือนรอยเท้าของฌาง รอยเท้าของช้างมันจะใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในป่ามหาสติปัฐานที่มีสติเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานที่เอามาทำงานจึงเป็นข้อปฏิบัติทีกครอบสมถาวิปัสนาวิธีการอื่นใดทั้งสิน้นและก็เป็นเส้นทางตรงเป็นสายตรงเราไม่ต้องไปพูดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอย่างอื่นเราไม่ต้องพูดถึงเรามาตรงนี้มันเป็นสายตรง เรากำหนดจดจอมาที่จิตของเราอยู่เดี๋ยวนี้จนสักเท่ารู้กำหนดรู้ไปที่จิตยังอยากเรานั่งปวดนยนั่งนานๆเราปวดปวดหลังเนี่ยเรามีสติรู้ทันมันปวดหลังเนี่ยรู้ทันปั๊บตัณหามันเกิดไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าหากมันไม่รู้ทันสติของเรายังอ่อนอยู่เรารู้ไม่ทัน คือมันตื่นไม่เต็มที่มันสว่างไม่เต็มที่มันรู้ไม่เต็มที่แต่ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือจิตของเรานั้นนะรับทราบอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดครั้งละหนึ่งอารมณ์ด้วยเหตุที่รับทราบชัดที่สุดครั้งละหนึ่งอารมณ์นี้เองท่านจึงให้เราเจริญปลุกจิตของท้อ้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเช่นอยากเรากาหนดกาหนดพิกหนดเวทนากาหนดความทุกข์ จริอยางความเจ็บความปวดเป็นทุกขเวทนาเราไปอยู่ท่ามกลางความเจ็บความปวดเลยเอาพูรู้ของเราไปจิ้มอยู่ท่ามกลางความเจ็บความปวดมิสติกมรดจดจอร่อยู่นี่ยตราบใดตัวตนไม่เกิดตัณหาไม่แทรกแทรกไม่ได้ตราบใดตัณหาแทรกเข้ามาอัตตาตัวตนมักโผล่ถ้าอัตตาตัวลโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไร่โอ้เราเจ็บโอ๊้เราปวดโอ้เรายอมแพ้แล้วโอ้เรายอมพลิกโอ้เรายอมเปลี่ยนแน่ เราต้องทําให้มันตื่นรู้อยู่ว่าไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราปวดท่านบอกสักต่ว่ารู้สติในจิตของเราเนี่ยมันสักเทวารู้จริงๆจริักแต่ว่ารู้จริงๆสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะเขาจะมีคุณสมบัติมาพร้อมกันสติปลุกให้ตื่นสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในนั้นแค่เราเจริญสมถะถ้าเราขาดสติสมถะจะไม่เกิดในหัวใจของเรา เราจเจริญวิปั ส, สนาถ้าเราขาดสติวิปัสสนาก็จะไม่เกิดในหัวใจของเราเราย้อนมาดูที่ใจของเราจะเป็นเรื่องสําคัญเราได้ข้อปฏิบัติเราได้แนวปฏิบัติเราไม่ต้องไปตีวงกว้างฟังแบบไม่มีที่จดไม่มีที่จอดฟังแบบล่องหนอยู่บนท้องฟ้าไม่มีที่ร่อนลงเราหย่อนมาที่นี้เรามีที่ร่อนลงมีที่จอดเราตั้งใจจะเจริญสัมมตักครูบาอาจารย์ท่านก็ให้เราเจริญง่ายๆพุทโธพุทโธ กโตแต่ละพุทธแต่ละโทพยายามประคองสติเอาไว้ทําสติของเราให้ตื่นโรอยู่กับอารอมณ์หนึ่งเดียวที่เราใส่ตราบใดที่สติเราตื่นโรอยู่ตันหาแทรกไม่ได้ในเมื่อตันหาแทรกไม่ได้อุป า, า, าปทานมันก็เกิดไม่ได้ตันหามันก็เกิดไม่ได้ตันหาเกิดไม่ได้อุปาทานมันก็เกิดไม่ได้การที่เราจะเข้าไปยึดไปถือนั้นจะเกิดไม่ได้แต่ถ้าเราทําแล้วเรามีสติอ่อนเรามีสติไม่แก่กล้าพอ นั่งไปนั่งไปโอ้ดึกแล้วเนอะรู้สึกหิวกาแฟเนอะเนะ่พบชาบมันเกิดแล้วรู้สึกหิวกาแฟเนอะ<ม>พบชาบมันเกิดแล้วมันมันจับกาแฟแล้วหลังจากนั้นแล้วพอเลิกจากนี้ไปแล้วไปที่ชงกาแฟฉันรับฐานได้เลยนี่เมื่อเกิดเมื่อมีพบคือการที่เราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอะ่ะถ้าเราจะเทียก บ, บกันเมืับพบเกิดพราะหลังจากนั้นแล้วเราจะต้องเอากายเอากิริยาของเราไปประกอบ ให้สเปรดตามที่เรานึกที่เราคิดนี่เป็นชาติคือการจะไปเกิดเรานึกเรานึกถึงกาแฟซะก่อนเสร็จแล้วเราก็เดินเดินเดินไปแล้วไปชมรับทานแน่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากกิริยากายเรายึดกายกิริยาเวทนาเรายึดเวทนากิริยาจิตเรายึดจิตกิริยาธรรมเรายึดธรรมในเมื่อเรายึดเรายึดแสดงว่าตัณหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเรา ถ้าเราสักจะว่ารู้มันจักจะว่ารู้จริงๆลองเจริญลองเจริญพิจารณาเห็นตรงนี้เราจะได้ข้อเท็จจริงในปัจจุบันเราจะได้เป็นประจักษ์พยานว่าเราก็มีกําลังใจมีกระดิจกระจายที่เราจะตั้งใจเจริญสมสารถทำวิปัสสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านส่งวางเอาไว้ไม่ทําให้เราตีบตันอั้นตู้ไม่รู้จะจับตรงไห น, นท่านสอนมากมายมหาศาลสอนเรื่องทานทานทานทานก็ทา น, ทานมาจนมากมายมหาศาล บสินสินหักรักษาศินไปรักษ า, า, ก ร, กษารักษามาจนฉะนั้นทานก็ตามศินก็ตามถ้าเราตั้งใจรักษาอย่างเดียวสมาธิเราไม่สนใจปัญญาเราไม่สนใจตายแล้วเราไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์นั้นนะ่ะเ<ม>ต็มแปร่ไปด้วยกามคุณทั้งหลายที่เป็นทิพย์ทั้งนั้นเลยสวรรค์ทั้งหกชั้นเป็นกามคุณที่เป็นทิพย์เป็นทิพย์เป็นทิพย์เป็นทิพยทั้งนั้นแหละไม่พ้นไปจากอํานาจทิพย์ไปได้ เราจะพ้นจากอำนาจที่ไปได้เพราะอะไรเพราะเราสำ ROC กามออกจากใจของเราเหมือนอย่างเราเผาเผาไม้สดเหล่านั้นให้เหงื่อแห้งไปหมดยางหมดน้ําแล้วก็เอาออกจากเอาออกจากเอาออกจากน้ําแทนที่จะแช่อยู่ในน้ําแผดเผาด้วยแดดด้วยไฟด้วยอะไรอะไรให้ไม้เหล่านั้นมันแห้งแห้งแห้งแล้วมาขัดสีด้วยวิปัสนาเหมือนกราเอาไม้แห้งกับไม้แห้งไปสีให้เกิดไฟ ถึงร่างก็ตามกิริยาความภาคความเพียรท่านจะต้องทําให้ต่อเนื่องเราจะเจริญตามหลักอริยมรมีองค์แปดศีล ส, สมาธิปัญญามีสมาธิก็ตามมีปัญญาก็ตามเราเดินอยู่บนเส้นทางนั้นแหละถ้าเราขัดสีอย่างไม่ถึงธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นในหัวใจของเราไม่ได้เหมือนอย่างเราเอาไม้แห้งนี่แหละไม่เปียกไม่ชุ่มไม่ชื้นไม่อะไรเหมาะสมที่จะเสียเกิดเป็นไฟสีสีสีสี ส, ส, ส, ส, ส, สีไปแล้วก็หยุด ในระวังที่เราสีเสียดสีน้ไฟเกิดขึ้นพอเราหยุดปั๊บความร้อนของไฟที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีนั่นก็ดับน่ความเพียนที่เราย่อหย่อนก็เช่นเดียวกันเราเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องนี่แหละแต่เราย่อหย่อนเหมือนกับคนที่สีไม่ให้เกิดไฟสีสีสีแล้วก็หยุดสีสีแล้วก็หยุดนึกได้อีกสีสีหยุดสีสีแล้วก็หยุดไม่ไปหน้ามาหลังโอกาสที่จะเป็นเปลวไฟให้เราได้ไฟใช้ไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นอุปมาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้านะก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ไม่กี่ไม่กี่วันเนี่ยพระองค์ได้ได้อุปมาอันนี้เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์อ๋อพวกเราที่ชุ่มแปรไปด้วยกามในหัวใจมันไม่ต่างอะไรกับไม้สพจดที่ชุ่มระย่างเอามาเสียให้เกิดไฟนี่เหนื่อยเปล่าพระองค์ทรงตรัสรู้เหนื่อยเปล่าคําว่าเหนื่อยเปล่าในที่นี้พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธวิบากกรรมนะ เหมือนอย่างเราไปให้ทานเราไปตั้งใจรักษาศีลเพราะไม่ทรงปฏิเสธให้ทานก็มีผลมีอานิสงค์ขั้นให้ทานแต่ขั้นการตั้งใจรักษาศีลอันอนี้สอจะอานวยให้สูงกว่านั้นนี่ให้ทานมีอานิสงค์ให้รักษาศีลมีอานิสงค์แต่ในหัวใจนั้นชุ่มแพรไปด้วยอำนาจของกามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวานตัณหาชุ่มแพรยอยู่ในนั้นเราจะเอากามออกจากใจของเราได้ยังไงทําให้ใจของเราสงุก เมื่อใจเราสงบใจของเราออกจากกามใจของเราไม่มีความนึกความคิดเรื่องกามคําว่ากามกามในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นจากอยายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมารมณ์สิ่งนี้เกิดขึ้นจากอยายตนะภายนอกสิ่งที่มารับรู้อยายตนะภายนอกก็คือใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องออกเป็นทางออกของใจจะเข้าไปรับรู้ เข้าไปรับทราบสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าไปรับรู้เข้าไปรับทราบเมื่อเข้าไปรับรู้เข้าไปรับทราบทำให้เราตกผลึกเป็นสัญญาอารมณ์นั่งเฉยๆถ้าหาเราไม่ตั้งใจภาวนาใจอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวมันคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงรสของกามเงี้ยมันคิดถึงใจสงบไม่ได้หมายความว่าใจของเราชุ่มเปรอไปด้วยกามเหมือนกับไม้สด ไม้สดสดเราไปถูดเกิดเป็นไฟเกิดได้ยากแต่เราไม่ปฏิเสธว่าไม้สดก็ตามสมมติเราไปสีสี ส, สีไม่หยุดไม้สดสนั่นแหละมันก็ถลอกปอกเปิกได้เหมือนกันถลอกปอกเปกิกแล้วก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเริ่มอะไรต่อไรในที่สุดกับจะเริ่มเกิดความเร่าร้อนเหมือนกันแต่ว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าจะทําให้เป็นเปลวขึ้นเปลวไฟขึ้นมาเป็นได้ยากเพราะความสดคือน้ํา นะเป็นปฏิปักษ์กับไฟคือความร้อนที่จะเกิดขึ้นนี่เราอุปมาว่าในหัวใจของเราทําไมเราถึงไม่ไปหน้ามาหลังทําไมทําแล้วทาอีกเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะอะไรเลยไม่มีกําลังใจที่เราจะจัดจะทำเราหมุนมาตรงนี้เราจะได้ทราบขีดขั้นว่าเราทำยังไงอทําไมเราจึงไม่ไปหน้ามาหลังไม่ใช่เราประเพทว่าไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยหรือจิตของเราฟิง่งวุ่นถือกับเรื่องอํานาจของกามถ้าเราไม่สนใจเรื่องรักษาศีลด้วยเรื่องภาวนา สมสถาวิปัสนาด้วยแล้วเนี่ยนี่แหละคือกามสุขะลิกานโยคประกอบตนให้พัวพันในกามโอกาสโอกาสที่จะสํารอกสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากหัวใจของเราธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเกิดไม่ได้เพราะอันนี้เป็นหนทางเป็นร่องรอยที่ตัณหามันแทรกเข้ามาได้ง่ายเมื่อตัณหามันแทรกเข้ามาขึ้นชื่อว่าตัณหาคือความอยากความอยากในใจของเราเราสามารถสงบระงับ ฉลอแล้วก็หยุดได้ไหมเราจะรู้ได้อย่างไงว่าในใจของเรามีตันหาย้อนมาดูใจของเราใจของเรานี่ตันหาท่านใช้คำว่าตันหาภาษาบาลีท่านใช้คำว่าตันหาแปลว่าความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจใจไม่เคยอยู่เป็นภาสุขใจดิ้นรนใจทะเยอทะยานดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปเรื่องรูปโดดจากรูปไปเสียงไปกลิ่นไปรสไปสัมผัสไปเรื่องราวไปปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้นอยู่ในนั้น Uh huh. ถ้าปัญหานุ่นหมดไปปัญหานี่หมดไปใจก็ยังติดค้างอยู่ในปัญหาที่เป็นเรื่องของตัณหาที่เรียกว่ายอดของกามเราจะเห็นว่าคนมีความสุขมากมายมหาศาลมีทรัพย์มีลาบมียศมีเกียรติมีนุ่นมีนี่มีอะไรอะไรสารพัดแต่ยังขาดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นยอดของกามคืออะไรให้พวกเรารู้จักเองยอดของกามคืออะไรกามราคะสิ่งนี้เป็นยอดของกาม มันเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ในหัวใจส้ำรอบมันออกได้ยากตราบใดที่เราไม่ทำความรู้ทำความเข้าใจธรรมะในใจของเราละเอียดเข้าไปรู้เข้าไปเห็นคือตะแกรงร่อนของเราละเอียดไม่พอโอกาสที่จะเล็ดลอดออกไปนี่ได้ยากที่จะรู้ที่จะทะลุทะลวงออกไปนี่ได้ยากพุทธิยถาท่านร่อนพระองค์จนแน่พระไทยจนสิ่งเหล่านี้เหงื่อแห้งไปจากพระไทยของพระองค์พระองค์จึงได้แนวปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติเอามาบอกมาสอนพวกเรา แต่เริ่มต้นด้วยการตั้งแต่รักษาศินเรื่องทานก็มีในสงองขั้นให้ทานให้ทานนี้มีอันในสองคือเราไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเกิดพบไหนชาติไหนพบนี้ชาตินี้เราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่อยา ก, ไ ม, ยากไม่จนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาแล้วทานบารมีทานอุปบารมีทานปร า, รารมัตาบารมีก็อยู่ในขั้นนั้นแหละถ้าเราไม่ขยับมาถึง ข, ขั้นรักษาศินเพราะขั้นรักษาศินมันคือขั้นต่อสู้กันกับกิเลสแล้วนะ เพราะกิเสมันแสดงมันทะลกออกมาที่กายกายกรรมไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปพระพุทธผิดในกรมท่านจึงอฮ้ฮเอาสินมารักษาวาจาวัาจีกรรมพูดเท็จพูดยาพูดซอเสียดพูดเพลยเจอพูดซอเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกร้าวกันอะไรต่ออะไรเหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องของวัจีกรรมถ้าเราปล่อยโอกาสให้กิเลมันแสดงมาที่กายกรรมได้ทั้งวัจีกรรมได้ มันก็ไปกอ่อกรรมทําเข็ญอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเราสํารวมกายกรรมได้ไวจีกรรมได้จะสัมรวมได้ด้วยการรักษาศีลแค่ศีลห้าเนี่ยเราสัมบรรมราระวังได้แต่ถ้าพูดเราพูดถึงศีล8ศีล8จะอันิสง์จะแรงกว่าจะสูงกว่าศีลห้าอีกมากมายมหาศาลก็เหมือนอย่างวันนี้ถ้าเผื่อใครสมาทานศีลแเนี่ยคนนั้นจะมีอันิสงอย่างข้อสของศีลศีลแปดนะสามีภรรยาไม่เกี่ยวข้องกัน นะไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องสามีภรรยาเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกระร้องเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับเรื่องกามนี่แหละมันเป็นมันเป็นยอดของกามเนี่ยพระรุติยาท่านไม่เคยความให้ความสําคัญแต่บรรดามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาจะเป็นอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงจํากัดให้แค่ศินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพุทธพิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสซดาเมรัยการดื่มสซดาเมรัยนี้ เป็นการทำลายสติของตัวเองสติของเราจะตื่นโรูเป็นผู้เป็นคนได้เราต้องมีสติแต่ถ้าหากเราไปไปกินยามอมเมาให้เราขาดสติเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการทำลายตัวเองคนที่ไม่มีสตินั้นอนะสามารถผิดสินข้อ1ข้อ2ข้อสข้อสได้ผิดได้ง่ายๆในเมื่อเราผิดข้อห้าอย่างเดียวนะนี่เราพูดถึงศิน5้า สินแปท่านไม่ให้เกี่ยวข้องเลยอยู่อย่างพรมที่เรียกว่าพรหมจันทร์เพราะฉะนั้นสินแปท่านจะเรียกว่าพรหมจันทร์ใครสมาทานสินแปดได้ทั้งนอกภาษาทั้งในภาษาสาธุอนัโมสนาสาธุการด้วยขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจให้ดีอกดีใจเอาไว้อันนีมน้มันเป็นการเจริญเพื่อจะให้เห็นโทษของกามกามทั้งหลายนี่แหละมันมัดเราอยู่ในโลกถ้าหมดอำนาจของกามหมดพลังของกามเหมือนอยากพระอนาคามีท่านไม่ต้องลงมาเกิดอ่า ท่านใดพระอนาคามีสมัยท่านยังละกิเลสขั้นสุดท้ายยังไม่ได้ดับชีวาชนปับ๊บท่านไป อ, อุบัตินนที่สุดทาวาสพรหมโลกไม่ต้องลงมาเกิดอีกหรอกไปเลื่อนจากอวิหาตปาสุทัตสาสุทัสศีอคันิฐาแล้วก็หลุดคั่วลงเลยแหละอยู่บนนั้นแหละหลุดกิเลสตหาสวรรค์ห้วยใจหมดจดจากสิ้นเจริงอยู่บนนั้นะเหมือนผลไมดด้ที่มันหมดอย่างลมไม่พัดไม่มีใครขยา่าไม่มีอะไร อ ย, อยู่หลุดต๊อลงมาแล้วอคติฐ า, อานอคติฐานโฉวสุดอคติฐานพวกพวกพวกพวกไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกามตายแล้วไม่ต้องมาเกิดที่เราต้องมาวนเกิดในภพชาตินี้ก็เพราะว่ามันมีเยื่อใหญ่ในกามคาว่ากามในที่นี้มันรวมไปถึงรูปสัญญาสัทธะสัญญาคือเสียงสัญญาที่มันกเกาะแน่นอยู่ในหัวใจของเราเราดูสิ เรานั่งหลับตาเนี่ยสัญญาเหล่านี้มันออกแปร่มาเต็มหัวยใจของเราแต่ถ้าหากเราพยายามตั้งสติอยู่หนึ่งเดียวเราจะต้องมาต่อสู้กับพลังอันนี้นะสัญญาเหล่านี้มันจะมาหลอกเราแต่ถ้าหากเรามีสติมีสัมผัจัญญารู้ทันสัญญาสักแต่ว่าสัญญาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องมือของธรรมชาติสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาทํางานกึกเดียวถึงกันหมด เพราะเป็นกิริยาอาการของผู้รู้อันนี้แหละที่มาประกอบเป็นเป็นขันที่เรียกว่านามขันนามขันเวทนาสัญญาสังขารแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นอนะ่ะพ้นไปจากสภาพของขันทั้งๆนี่นะ uh huh. พ้นจากสภาพความเป็นถ้าหาเรายังรืยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณก็คือ ย, ยังยึดรูปอยู่ถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาทําลาย อย่างเลือดยึดนามอยู่ถึงแม้ว่าเราจะพิจารณารูปผ่านพ้นไปแล้วแต่เรายังติดข้องอยู่ในนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นช่องเป็นทางที่ตันหามันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาที่รูปนะ่ะนึกเรื่องรูปนะ่ะนึกไปนึกมานึกมานึกไปโอ้ยเกิดตันหาราคะขึ้นมาแล้วแน่มันละเอียดนะแล้ไม่ทันมันแหละเพราะงัวิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เจริญสมถะให้เจริญวิปัสสนา มันจะมีกําลังเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนี่เราพูดถึงว่าเราทําความสงบให้เกิดขึ้นจิตที่มีความสงบนั้นนะ่ะจิตมีพลังด้วยจิตมีอนุภาพด้วยจะสงบขั้นไหนสงบขั้นว่าเราเจริญวิตกวิจารเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราไม่ทิ้งคําบริกรรมสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเกิดปีติเดี๋ยวขยับจากปีติก็ไปมีความสุขกับอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ย มันจะอยู่พร้อมทั้ง5วิตกวิจารปีติสุเอกกตาเราตั้งใจทําได้ไหมวิตกวิจารพุโทโธพุโทโธลองตั้งอกตั้งใจทําลองดูตั้หาจะแทรกจิตของเราไม่ได้แต่ถ้าเพลอปลบสติของเราอ่อนตั้หาแทรกขึ้นมาทันทีแทรกขึ้นมาทันทีอะไรมาแทรกรูปพระสัญญามาแทรกแล้วโอ้รูปมันแวบเข้ามาติดไปมันติ ด, ต, ดติดตามรูปนั้นไปแล้วโอ้เสียงนั้นเข้ามาโอ้ปัญหานั้นแทรกเข้ามา จิตมันเกาะติดเข้าไปแล้วมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวที่ไหนมันเกาะติดไปกับอารมณ์เหล่านั้นเนี่สิ่งเหล่านี้แหละมาหลอกคิดของเราทําให้เราเป็นตัวของตัวได้ยากเพราะฉะนั้นการทําใจให้ได้รับความสงบบางคงท่านทําจนทิ้งคําบริกรรมทิ้งวิตกทิ้งวิจารเหลือปีติอิม่มเ อ, อิบอยู่นั้นแหละกับความสุขทิ้งปีติเหลือความสุขทิ้งความสุขเหลืออุเบกขากับอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์หนึ่งเดียวต้อง ต้องพร้อมไม่งั้นคุณสมบัติเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้โอกาสที่เราจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเกิดปีติเกิดความอิ่มมันอิ่มได้จริงๆเพราะคําว่าพุทโธนี้มันเป็นอาหารใจมันไม่เหมือนข้าวปลาอาหารที่เราบริโภคให้กับร่างกายพุทโธพุทโธนี้เป็นอาหารใจเราจะว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณธรรมารมเหล่านั้นเป็นอาหารใจก็ได้ถ้าจิตของคนคนนั้นมีสมาธิ และก็มีปัญญาพร้อมที่จะเจริญวิปัสนาได้อารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเป็นอารมณ์ของปัญญาแต่ถ้าหากสติของเรายังไม่แก่กล้าพอปัญญาของเรายังไม่ออกปัญญาของเรายังไม่ออกรูปเสียงกิริย์รสปุถภะธรรมอารมณ์เหล่านี้เป็นปฏิปักษต่อสมาธิของเราแต่ถ้าเจริญไปแล้วจนจิตของเรามีสมาธิ อารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสโผเข้ามาแล้วก็กำหนดใส่อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้คืองานที่เราพยายามเจาะลึกเข้าไปอันนี้จังทุกขังอนัตตานั้นมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่กองสังขารอาวิชชาตันหาวปาทานอาวิชชาอาวิชชาคือจิตไม่รู้เหมือนอย่างเระภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสติของเราตื่นโรอยู่เรารู้อยู่สติกํากับผู้รู้แท้จริงผู้รู้ มีสติกำกับดูแลอยู่สติเกิดจากไหน<ม>เกิดจากผู้รู้สัมผัสัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากจิตคือผู้รู้กลายเป็นคุณสมบัติของผู้รู้สติเป็นคุณสมบัติของผู้รู้คือจิตของเราสัมผชัญญาเป็นสมบัติของผู้รู้คือจิตของเราเราพยายามย้อนไปดูในจิตของของเราเนี่ย จิตของเรามีสติเตือนรูอยู่มระลึกได้แลกประคองระลึกได้แล้วประคองรู้ตัณหาแทรกไม่ได้ตัณหาแทรกมานอัตตาตัวตนโผล่ไม่ได้อย่าลืมว่าตัณหาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรนะความถือเนื้อถือตัวมันจะตามมาถือเราถือเขาถือมึงถือกูเข้ามาแล่ะถือสูงถือตามถือผิดถือถูกถือยศถือศักดิ์ถือเกียรติถืออะไรจะอะไรสารพัดถือใหญ่ถือเล็กถือน้อย พระเชษนพู้ที่ท่านผ่านพ้นไปตรงนี้แล้วท่านดูเสมอภาคกันไปหมดมนุษย์ทุกจําพวกสัตว์ทุกจําพวกจิตที่บริสุทธิ์ของท่านนเสมอภาคกันไปหมดไม่มีการถือหนูถือเนื้อถือตัวการถือเนื้อถือตัวนี่ละเอียดนะฮะละเอียดมากโอกาสที่จะทําให้เรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวนี่รู้สึกได้ยากการถือเนื้อถือตัวแต่จะอยู่ต่อเมื่อเรา พยายามตั้ง อ, อกตั้งใจำกำหนดจดจ่ดจอพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างต่อเนื่องจนจิตของเราสงบอย่าลืมว่าจิตของเราสงบได้เพราะตัญหาพาะในจิตของเรานั้นมันโดดดิ่นไม่ได้มันโดดดิ่นไม่ได้ดดดไไดแท้ที่จริงผู้รู้ของเรารับรู้อารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดครั้งละหนึ่งอารมณ์ด้วยเหตุนี้เรายึงพยายามดึงมากำกับผู้รู้ของเราอยู่กับอารมณ์ร้อยหนึ่งเดียวจนสามารถชนะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตของเราถ้าหาก มีสองอารมณ์สามอารมณ์ ส, อ า, ณสอารมณ์มาปรากฏในจิตของเราไม่ชัดสัอย่างไม่ชัดสัอย่างเพราะฉะนั้นท่านยิ่งทําให้ให้ทาให้จิตของเราสงบเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวลงตาท่านบอเหมือนน้าไหลลงช่องเดียวมันแรงตรงกันข้ามแลยใจของเรากระสานซ่านเซ็จกระซ่านเซะกระซานซ่านไปหมดเลยในกายของเรามรู้วมันอยู่ตรงไหนแล้ะ บาทีเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธโอ้มันวิ่งม้นมันร่อนอยู่เมื่อไรจะรวมกันลงมาเม่อไรจะเที่ยวกันเหมือนเมื่อไรมันจะได้จุดรวมที่เรียกว่าโฟกัสโฟกัสของจิตคือความสงบมันรวมได้ยากเพราะฉะนั้นการตั้งอกตั้งใจภาวนาก็คือการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสติสร้างสัมปชัญญะให้แน่นหนามันคงจิตเราสงบได้เพราะเรามีสติกล้ามีสัมปชัญญะแก่กล้าพอตั้หาสงบ แรงะแทะเข้ามาไม่ได้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งยายก็อยู่อย่างนั้นตั้งไปตั้งไปตั้งไปจนอิ่มเนื่องจากเราบริกรรมอาหารการบริกรรมนั่นแหละท้าเรียกว่าเป็นอาหารของธรรมข้าสูงัวใจพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ผ, ผลตามมาก็คือผลตามมาก็คือผลรายได้ของธรรมที่เรียกว่าธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบาก ธรรมก็คือคําว่าพุโทโธพุธโทโธวิสติมีสัมผัญญับกำหนดจดจ อ, อยู่ในใจของเราเนี่ยในขณะที่เราดําริธรรมอยู่นะั้นมันเป็นกิริยากิริยาเหล่านี้มีมีผลที่เรียกวิบากวิบากกรรมวิบากบากรรมมีผลผลเหลนี้เป็นวิบากที่เรียกว่ากรรมธรรมกรรมวิบากหัวใจของเราของท่านของใครก็ตามถ้าหากเราไม่อยู่กับธรรมกรรมวิบาก ใจมันจะไม่อยู่เฉยมันจะไปอยู่กับกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็นึกคิดไปตามเรื่องอํานาจของกรรมเป็นเรื่องของกิเลสหากมันแสดงฤทธเดชออกมาว่าเป็นเหตุให้เกิดความโลภเกิดความโกรธมีใครมาขัดข้องเกิดความโกรธ ท, ทั้งโลภทั้งโกรธนั่นอนะ่ะด้วยอํานาจของความรุ่มหลงหลงก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะสว่างโพอรู้อยู่รู้แบบจางๆรู้แบบมืดมืดรู้แบบมัวมวสว่างก็สว่างซี่ใดซี่หนึ่ง จุดใดจุดหนึ่งยังดำอีกจุดหนึ่งสว่างไม่ทั่วถึงที่เรียกว่าสว่างไม่โลภพอคือจิตของเรามันแตกกระสานสั้นเสียนถ้าจิตรวมอยู่หนึ่งเดียวจิตจะสว่างโรคคําว่าสว่างในชี น, นี้คือเป็นข้อเปรียบเทียบท่านเองเราลองกําหนดความรู้ให้รู้อยู่ในในใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับจิตของเราในสว่างอมันเบามันสบายมันสว่างมัน ม, มีความสงบมันเงียบ ตันหามันแทกเข้ามาที่จิตของเราไม่ได้เราเจริญสมถะจิตของเราจะสงบละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปมีความสุขแนบแน่นมันคงและเป็นความสุขที่คุ้มค่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราเสาะแสวงหาลาบยศเกียรติสารเสริญสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ไม่บริสุทธิ์มันเจือด้วยสิ่งด้วยของมีสิ่งของเป็นเครื่องล่อจิตของเราให้เราได้รับความสุขชั่วการชั่วคราวที่ท่าเรียกว่าสุขเขเวทนาสุขเขเวทนานะ ไม่ใช่สุขที่บริสุทธิ์เป็นสุขที่เจือด้วยอมิตรคือเจือด้วยสิ่งด้วยของเหมือนอย่างเราดีใจเพราะได้สิ่งได้ของที่ดีที่ถูกใจได้ตำแหน่งได้งานได้การที่เราถูกถูกถูกต้องถูกชอบใจเราได้คำชมเชยมีคนชมเชยเราเราก็ปลอยปลื้มปลื้มใจแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าท่านจึงว่านัติสันติปรังสุขขังสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบนะมันไม่มีความสงบเป็นความสุขที่สูงสุดสูงสุดกับความความสุขที่เกิดขึ้นจากเราได้สิ่งที่เป็นสัญญ า, า, าอารมณ์มาหลอกหมื่อใจของเราใจของเราสงบใจของเรามีความสุขนอกจากนั้นแล้วมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาตามที่เราได้ยินได้ฟังมาอันนี้คือพลังของใจที่สําคัญที่สุดสามารถระงับดับตัณหาในปัจจุบันได้อันนี้คือสําคัญที่สุดนี่คือสําคัญที่สุด นี่คือฤทธิ์คือเดชอย่างหนึ่งสามารถระงับดับตัณหาอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเราได้ไม่มีแล้วในโลกนี้พระพุทธเจา้าพระสงสาวกพระอริยสาวกท่านจึงดีท่านจึงเลิศท่านจึงประเสริฐเราเอาใจของเราไปเทียบกับจขอท่านเทีทยบไม่ได้ท่านฝึกฝนอบรมขัดเกลาจนจิตของท่านสะอาดบริสุทธิ์แพร่พราาด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ข้างในนั้นจนเป็นของอัตโนมัติอยู่ในนั้นไม่ต้องไม่ต้องมาตั้งล้มตั้งล้มเหมือนอย่างพวกเรา พวะเรายัางไม่คงที่ตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มยิ่งเราไม่สนใจเลยเราสนใจแต่เรื่องอย่างอื่นด้วยแล้วเนี่ยโอ้วันทั้งวันทั้งยืนเดินนั่งนอนกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นเรื่องของมันทั้งหมดมถึงอย่างนั้นก็ตามเรายังอยู่ในร่องรอยของศีลของสมาธิของปัญญาที่เราพยายามตั้งอกตั้งใจเจริญธรรมะ ก, ก็มีผลมียในสองมากทำน้อยก็มีผลเมียในสองน้อยถ้าเราไม่ทำเราเป็นหมัน เราไม่ได้รสชาติพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทร ง, งวางไว้ทรงประทานเอาไว้อันนี้นาเสียดายที่สุดเพราะชานิการฟังธรรมด้วยแล้วก็ตั้งใจภาวนาไปด้วยครูบาอาจารย์ท่านให้ความสําคัญนะโดยเฉพาะอย่างลกตาท่านให้ความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องนั่งฟังฟังธรรมแล้วก็ฟังเทศแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามไปด้วยอืม า น, นานเท่าไหร่สานาทีสี่สินาทีห้านาทีเราลองทําให้สงบระงับเกาะเกาะเกาะเกาะมันไม่เกาะในนั้นให้มันเกาะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธของเราเราจะเกิดความตื่นขึ้นมาในหัวใจของเราทันทีแค่คําว่ามันมีอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องเทียบเคียงมันมีคําพูดมีคําเทียบเป็นเครื่องเทียบเคียงหรือจิตของเราจะเกาะอยู่กับอารมณ์ที่ท่านพูดเป็นธรรมยามเจาะลึกไปด้วยสัญญาอารมณ์ด้วยการคาดการหมายการเดา การคาดการหมายกันเดาเนี่เป็นเรื่องของสัญญาก็จ um, ริงอยู่นะแต่สัญญามันเป็นมัดสัญญาตอนนี้มันเป็นมัดมันไม่ใช่กิเลสนะอกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากอันนี้เป็นเรื่องของสมุทัยแต่ถ้าเป็นกรรมทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากอันนี้เป็นเรื่องของมัดคอยเราตั้งอกตั้งใจทําตามนี้อืไม่ว่าวันนี้วันไหนวันหน้าวันไหนก็ตาม เวลาเราคว้ามาเออเราถือพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เราได้อะไรเป็นข้อปฏิบัติคว้ามาให้ติดพุทโธเสียตีเดียวศีลให้เป็นภาคพื้นสิ่งที่ธรรมะที่อามันนุนก็คือมีความอดมีความทนมีสติมีสัมปชัญญะมีความอดความทนมีวิริยะมีอุตสาหามีความภาคความเพียรมีสติพอมีปัญญาพอแต่ถ้าหากเราคิดเอาเฉยเฉยคิดเอาเฉยเฉยเหมือนกับเราตั้งเป้าเอาไว้ ถ้าหากเราไม่ตั้งใจเดินไปทําไมเราจะใกล้เข้าไปสู่เป้านั้นเราเข้าไปใกล้ไม่ได้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดถึงธรรมะทุกคนมีความปรารถนาเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่จะสมปรารถนานะั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่ทําเหมือนอย่างเราตั้งเป้าเอ า, เอาไว้โอ้อยากได้อยากได้สวรรค์โอ้อยากได้พานเนี่ยเราตั้งไว้เฉยๆแต่เราไม่เดินไปเนี่ย แต่ถ้าเราตั้งไปแล้วเราตั้งใจปฏิบ gallons, ัติตามไปเมื่อเราเดินใกล้เข้าไปขยับใกล้เข้าไปขยับใกล้เข้าไปขยับใกล้เข้าไปเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วเราพยายามเดินเข้าไปเราจะจับยังไงถึงจัหวะเดินเข้าไปนึกที่ไรนึกได้ที่ไหนเมื่อไร่มีศีลเป็นภาคพื้นมีทานเป็นภาคพื้นมีศีลเป็นภาคพื้นและมีอารมณ์ธรรมในใจเป็นภาคพื้น พุท โ, โธจับยากเหลือเกินจับอย่างนุ่มอย่างนี้จับพุทโทธที่ครูบาอาจารย์มีสติกำหนดจดจ่อเราทำอยู่อย่างนี้เป็นอายินผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทำกรรมวิบากแต่ถ้าหากเราไม่เอามาทำงานตรงนี้นะกิเล่มันทำงานเข้ามาโดยอัตโนโมัติกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากที่เรียกว่าวัฏวนว<อ>ัฏฏวุลมันก็ไม่วนอยู่ที่ไหนมันวนอยู่ที่ใจของเรา<อ>วิบากเข้ามาก็คือเพิ่มผลขึ้นมาเพิ่มผลขึ้นมาเพิ่มผลขึ้นมาถ้าหากเราไม่มา อ, อบัตในภพ ที่มีพระพุทธเจ้ามาบัตกเาราไม่ได้ยินเสียงอ่าเสียงทำอยู่แล้วจิตของเราเป็นเรือ่องของกิเลสกรรมิบาสกิเลสกรรมิบาสกิเลสกรรมิบาสมีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่ผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแต่เราไม่ปฏิเสธว่าหัวใจมนุษย์เป็นหัวใจที่มีธรรมไม่เหมือนหัวใจของสัตว์แม้แต่หัวใจของสัตว์บางจะพวกเขาก็ายังมีธรรมอยู่ในนั้นขึ้นเชื่อว่าผู้รู้คือจิตของเรามันมีทั้งกิเลสมันมีทั้งธรรมอยู่ในนั้น มันมีทั้งกิเลสมันมีทั้งธรรมอยู่ในนั้นเพราะผู้รู้ของเราเนี่ยเป็นผู้รู้หนึ่งเดียวที่แสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราเราจะรู้สุขก็เพราะเรามีผู้รู้เรามีเราจะรู้ทุก เ, เราก็มีผู้รู้ถ้าเราไม่มีผู้รู้เราจะไม่รู้ว่าเราสุขเราจะไม่รู้ว่าเราทุกข์ด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้นี่เองเราจึงสามารถดัดแปลงแก้ไขผู้รู้เราให้บริสุทธิ์ให้เราถึงความสุขเมื่อย่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกภรรยาสาวก ท่านเข้าถึงประมังสุขังประมังสุขังคือความสุขอย่างยิ่งคือมรรคคือผลคือนิพพานเป็นที่สุดนีพบุทรเจ้าท่านเข้าถึงแต่เราตั้งเอาไว้แล้วเราก็พยายามเดินไปพยายามเดินไปก็คือใช้ความอดความทนใช้ความภากความเพียรใช้ความอุตสาห์พยายามแต่ไม่ใช่ตั้งเอาไว้แล้วไม่ยอมเดินไปไม่มีโอกาสที่จะทําให้คุณสมบัติเหล่านี้กิเลสทั้งหลายมรรคพันธ์ลองเราไปอุบัติในภพชาติ ในกลับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติจิตของเราเท่ากับมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงละมันสร้างแต่เรื่องที่ยากด้วยอำนของกิเลสตัณหาเตรียมแพร่ในหัวใจของเราไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงอบัติมาแล้วเรามาดูที่ที่ท่านทรงตรัสเอาไว้เนี่ยพระพุธทธเจ้าเท่านั้นโกรธพระพุธทธเจ้าท่านี้โกรธถ้าจะพูดด้วยคําอุปมาเนี่ยพระพุทธเจา้าอุบัติ ที่เกิดอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกมากกว่าเมล็ดสายในแม่น้ำคงคาเรามาคิดดูพวกเราไปอยู่กันที่ไหนอ่าทำไมเรามาตกค้างอยู่ในโลกอยู่อย่างนี้ทําไมเราต้องมาหมกอยู่ในโลกอย่อยางนี้เพราะเราไม่พ้นไปจากอํานาจของของกามไม่พ้นไปจากอํานาจของกรรมกามก็คือกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิริยาที่เราทําตามกิเลสนั่นนะท่านเรียกว่าอ่ากิริยาเป็นกรรมแล้วก็กรรมเหล่านี้กลายเป็นวิบาก คือมีผลตามมาเพราะในโลกนี้และโลกไหนๆไม่มีเหตุใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่จะประสิทธิผลไม่มีผลใดๆที่จะประสิทธิเหตุมีผลกับเหตุมีเหตุกับผลที่แหละแม้แต่ธรรมาที่พุทาติท่านทรงแสดงเมื่อสรุปลงมาก็เหลือสองอย่างคือเหตุกับผลเราย้อนดูไปที่อริยสัจสี่ที่พระองค์ได้บรรลุเอง ธรรมะที่พระองค์ได้บรรลุเองนี่เองพระองค์จึงปฏิ ญ, ญาณว่าพระองค์เป็นสยามผู้รู้เองรู้เองไม่ได้ฟังคําบอกคําสอนอันนี้จากใครเนื่องจากว่าพระองค์มาหมุนหมุนมันเข้าหลักหลักเหตุกับผลเหมือนอย่างที่ท่านพูดไว้ในหลักอริยสัจ ท, ทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเราชี้ไปที่ไหนเราชี้มาที่กายทั้งหมดของเราเรามีชี้มาที่จิตทั้งหมดของเราเนีนี่คือกรอบทุกข์ จิตของเราเป็นกองทุกนะกายของเราเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกจิตของเราเป็นกองทุกแล้วก็เป็นก้อนทุกขพระเจ้าถ้ามีพระญาณอย่างทราบโอ้นี่คือทุกมีญาณบอกเลยนะโอ้นี่คือทุกนี่ทุกในหลักอริยสัจสี่แต่พวกเรานั้นรู้แต่ว่าทุกเจ็บทุกปวดทุกป่วดทุกไข้ความทุกขทั้งนี้หากเป็นไปตามภาวะความมีความเปลี่ยนของมันเพราะความทุกตอนนี้เป็นเป็นก้อนเป็นกอง กองทั้งนี้คือก่องสังขารก่องสังขารเนี่ยมันจะไม่เคยอยู่เท่าเดิมร่างกายของเราเคยอยู่เท่าเดิมไม่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมจิตของเราเคยอยู่เท่าเดิมไหมไม่เคยอยู่เท่าเดิมเพราะอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นเรื่องของตัณหาทุกขสมุทัยเพราะฉะนั้นเราต้องการแก้ทุกขเราจึงการต้องการเห็นทุกขเราต้องการกําจัดทุกตัวนี้เราจะต้องไปแก้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกย้อนมาที่ไหน ย้อนมาดูที่ใจของเราคืออะไรตันหากามตันหาเพราะว่าตันหาวิเพราะวตันหาเราไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปแยกให้เราทราบว่าความอยากในหัวใจของเรามันจับได้นะถ้าจีบของเราละเอียดพอเราย้อนไปเราเห็นความอยากอยากปั๊บเพราะเรามีสติทันปั๊บมันดับอยากปั๊บสติเราทันปั๊บมันดับอยากปั๊บสติมันทันปั๊บมันดับเราฝึกซ้อมขยับอยู่ตรงนี้นหะจนมันมันไม่กล้าจะโผล่ขึ้นมาแล้ว ในเมื่อมันไม่กล้าโผลขึ้นมาเราก็พิจารณากายเพราะเราหลงกายเราพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิจารณ์วิญญาณรวมแล้วก็คือพิจารณาขันทั้งห้านี่แหละเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่หลงขันทั้งห้าถ้าเราไม่หลงขันทั้งห้าเราจะไม่มันหมกอยู่ในโลกเราจะต้องพ้นจากโลกนี้ไปแล้วพวกเราทั้งหลายถ้าหากเราจะพิจารณาว่าพวกเรานี่หมกอยู่ในโลกเหมือนกบเหมือนเขียดหมกอยู่ในกองคีดตอมขิดโคลน กองดินทรายกองใบไม้กองอะไรทัร้งหลายเนี่ยคือเราหมกอยู่ในกา마คุณติดอยู่ในรสของกามคุณคำว่าคิดต้องคิดโครในที่นี้หมายถึงพวกกามคุณ<ม>ทั้งหลายด้วยเหตุที่เราตีบกันไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถพอเรามาขยับกับธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละเราจะได้ข้อปฏิบัติมันจะเป็นการฝึกมันเป็นจะเป็นการชักมันจะเป็นการขัดกล่าวจิตก็เราไปในขณะเดียวกัน อันนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นหน้างานเลยทีเดียวเป็นหลักการเจริญสมถะเป็นหลักเกิดการเจริญวิปัสนาสมถะ ก, ก็ตามวิปัสนาก็ตามในหัวใจของเราเราแยกมาพูดเฉยเฉยขนาดนี้ขอให้มันเกิดในหัวใจของเราเถอะบางคนยังไม่ได้น่ า, นาได้หลังยังไม่รู้เรื่องว่าสมถะคืออะไรยังกลัวที่สมาธิอีกก็มีโอ้เดี๋ยวติ่สมาธิเดี๋ยวติ่สมาธิอย่าไปเจริญสมาธิเสียวลาเสียวลาไม่รู้จักสมาธิไม่บอกไม่สอนไม่แนะไม่มีอะไรเป็นเครื่อง ทำให้จิตใจของเราได้รับกําลังใจสมาธิมันจะต้องเกื้อหนุนกับปัญญาปัญญาเกื้อหนุนกับสมาธิสมาธิจะเกื้อหนุนกับปัญญาอันนี้สําคัญที่สุดเราตั้งอกตั้งใจขัดเกลารอยู่ตรงนี้เราจะรู้ว่าอันี้กองทุกอันนี้คือสมุทัยคือตันหาเวลาเราจะดับกองทุกข์กทลายล้เนี่ยเราจะต้องดับตันหาเราดับความอยากได้อย่างไรตันหาไม่เกิดนะนเมื่อตันหามันไม่เกิดอุปาทานที่จิตมันจะไปยึดมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีตน ไม่มีตัวที่จะไปยุึ์ไม่มีตัวไม่มีตัวนเหลือแต่ภาวะของปุร้เหลือแต่สภาวะธรรมเท่านั้นเองมันไม่เกิดเราพยายามหมุนมาตรงนี้เราจะได้ข้อปฏิบัติเราจะได้แนวปฏิบัติทีนี้อีกอันนึงคือนิโรธคือความดับทุกข์ในเมื่อพยายามดับในเมื่อเราดับได้นั่นแหละเป็นนิโรธการที่เราตั้งใจเจริญมัจศีลก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเป็นการตั้งใจเจริญตามมัจ ผลตามมาก็คือดับทุกเหตุ อ, อ, อันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดของทุกขเหตุ hate อันหนึ่งเพื่อดับทุกดับทุกก็คือดับเหตุให้เกิดทุกนั่นเองมัดมเป็นเครื่องดับทุกเราดูไปที่หลักอริยสัจทั้ง4ี่ท่านจะพูดถึง น, นี้สรุปไปก็เหลือเหตุกับผลเท่านั้นเองอันนี้เป็นหลักที่สําคัญที่สุดธรรมะแปดหมื่สีพันของพระพุทธเจ้าที่พระองทรงแสดงนั้นสรุปลงมาได้คือเหตุกับผลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น ภาษาดิบุญท่านได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเยธรรมาเหตุปพภาวะพูดเรื่องเ ห, เหตุกับผลท่านั่นเองหงวัวใจของปลาของบดินคือภาษาดิบุตญใจของท่านก็สว่างโล โ, โอ้ก็ขึ้นจากเหตุจากผลเข้าถึงได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมภาษาธิบุญน่ะอ่าเป็นเป็นเป็นเป็นปริปปภัยโชคอะนะฟังธรรมจากพระอัสสชิแค่นี้เองได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระสบดาบานัน ภาษาทีบุตรได้เป็นพระโสะดาบาลพระฟังธรรมจากพระอาะสิชิภาษาทีบุตรเอาธรรมะอันนี้แหละไปเล่าให้พระโมคคัลลานะฟังพระโมคคัลลานะโรอีกเหตุกับผลแค่นี้แหละทําให้เราเข้าถึงธรรมละหมุนมาตอนนี้เราได้ข้อปฏิบัติเราได้แนวปฏิบัติเราจะไม่หลงงมไปตามตื่นข่าวทั้งหลายทั้งปวงยึ ด, น, น, ยดนู้นยึดนี้เกาะนูะ้นเกาะนี้ให้ความสํสคาสคัญสิ่งนู้นให้ความสําคัญสิ่งนี้ให้มาที่เหตุกับผลเหตุไดเป็นไปเพื่อสิ่เพื่อธรรม เหตุใดเป็นไปเพื่อมักให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําตามนี้เพื่อพุทธานุวิปัสสติตามนี้เหตุใดๆก็ตามเป็นไปเพื่อราคาโทสะโมหะโอนี่เป็นสมุทยัยรีบงดรีบเป็นรีบละขึ้นมาทันทีเราสรํารวมระมัดระวังให้ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราจะเป็นที่พึ่งให้กับเราจะเป็นเครื่องกลัดกล่าวขัดกล่าวในหัวใจของเราเรื่องสินเรื่องทานนั้นเป็นเรื่องที่เราทํามาจําเจถ้าเราไม่ขยับมาเรื่องภาวนา เราไปย้ําอยู่แต่กะที่เราเราก็ได้แค่นั้นแหละแต่ก็ยังดีกว่าไม่สนใจเลยไม่รู้เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงในเมื่อเราได้ยินได้ฟังครบระบบวงจรอยู่อย่างนี้เราไม่ย้ําอยู่แค่ทานเราจะไม่ย้ําอยู่แค่ศีลเราจะไม่ย้ําอยู่แค่สมาธิเราพยายามเจริญปัญญาเจริญปัญญาก็ามาพิจารณาขันห้าเนี่ยพิจารณาให้เข้าหลักว่ากองสังขารกองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิม การที่สังขารไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละเป็นกองทุกข์ทุกข์คือภาวะที่ไม่อยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปนะั้นเป็นอนิจจังอันนี้เป็นหลักของใจรลักเลยนะทุกขังอนิจจังทุกขังอนิจจังเป็นหลักของสภาวะธรรมทั่วๆไปไม่ไว่าจะเป็นรูปธรรมของเราไม่ไว่าจะเป็นนามธรรมคือใจของเรามีไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเราวดูที่กายของเราที่ใจของเรามีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีภาวะอนิจหามีเป็นภาวะของมัน ผู้รู้ปลุกจิตเขาให้ตื่นรู้สิ่งเหล่านี้จิตเขาเราก็ถอยมาถอยมาถอยมาแทนที่มันจะยึดกายมันก็ถอยเข้ามาแทนที่จะยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่ยึดมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาจนเหลือผู้รู้หนึ่งเดียวนี่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สวพระอริยสาวกท่านถอยเข้ามาจนเหลือแต่ผู้รู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นท่านไม่เรียกกองสังขารนะอย่างประจิตของพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกกองสังขารท่านเรียกวิสังขารเป็นอื่นไปจากสังขาร ขึ้นชื่อว่าสังขารจะต้องมีทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปอันนี้เป็นภาวะของกองสังขารไม่มีใครมาสามารถดัดแปลงได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถดัดแปลงได้พระุทธเอุบัติมา ก, กี่พระองค์ก็ตามพระองค์ไม่สามารถจะดัดแปลงให้เป็นนิจจังให้เป็นสุขขังได้จะต้องเปลี่ยนไปพระองค์จึงมาพิจารณาอะไรแยกแกิจแทรกกิจเทละเอียดของพระองค์เข้าไปโอ้สิ่งนี้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้ตราบใดที่ยังมีตัวยึดอยู่นั่นคืออัตตาตัวตน เมื่อเราเอาสติเอาสัมผัชัญนีเอาปัญญาของเราโ r ทำงานอยู่ประสิทธ์จากตัวตวนเอาอะไรมายึดตัวตวนไม่เกิดขึ้นอุปาทานก็เกิดไม่ได้ภพก็เกิดไม่ได้ชาติก็เกิดไม่ได้สามารถสงบระงับดับได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าวิชาวิชาคือความรู้โ RO เราเจริญสมถะให้ตื่นโ RO อยู่เดี๋ยวนี้อวิชาเกิดไม่ได้เราพิจารณาปัญญาโดยสติหรือสัมผัชัญนีของเราตื่นโ RO อยู่เดี๋ยวนี้อวิชาโผล่เข้ามาที่จิตของเราไม่ได้ มันตื่นโโหรอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ถ้าเล้บเผลอเมืออไรมาแทรกเข้ามาแล้วเพลบเผลอเข้ามาแทรกมาเพราะฉะนั้นเราทําอันนี้ให้ยิ่งให้กล้าให้แข็งจนเหลือแต่จิต ผ, ผู้รู้ที่บริสุทธิ์โโหรอยู่อย่างนั้นสิ่งเหล่านีก็ถูกแผดเผาโดยอัตโนมัตินี่คือเรามาพูดถึงว่าเราจะพยายามคัดสีตรงไหนถูตรงไหนจะได้ข้อปฏิบัติที่จะได้แนวปฏิบัติเราหมุนมาตรงนี้เราเราจะไม่เสียท่าเสียทีอ่า ให้เราจำคติเป็นสองอย่างหนึ่งทำกรรมวิบากอยู่ด้วยปัญญาประกอบไปด้วยสติอยู่ด้วยสมถะคือความสงบประกอบไปด้วยสติผลที่เราได้คือทำทำกรรมวิบากผลได้ได้เป็นเรื่องของทำทั้งหมดอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วเนก่อเราขัดสีไม่ยอมหยุดความรู้ความเข้าใจของเราก็จะก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะ กิเลสมันพาเราทํางานกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายไดเป็นเรื่องของกิเลส ท, ทั้งหมดเราจําได้แค่นี้เราพยายามปลุกจิตก็เราให้ตื่นโโรอยู่จะทําให้เรามีก้าจิตก้าใจที่จะทําให้เราเนสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราสักดิ์แต่ว่านับถือศาสนาเป็นข้ออ่านข้อธรรที่ละเอียดสุขุมรุ่มลึกที่จะามากํากับจิตใจของเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจโอ้เราน่าเสียดายหรือ อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ให้ความสําคัญหรือให้ความสําคัญน้อยเกินไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดคุณในหัวใจของเราไม่เกิดเกิดแต่โทษเพราะอะไรเพราะกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากในหัวใจของเราเต็มแปร่ไปด้วยอํานาจของกิเลสกรรมวิบากโอ้ได้ภารนามาก็ระยะเวลาเสนอนนา น, น, นอ่ะฮะตั้ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยนะตชั่วโมงครึ่งไม่ได้ไปหน้ามาหลังเนี่ยพยายามขัดสีอยู่ตรงนี้แหละให้พวกเราจาะให้ได้ โปร่อยา น, นได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นพวกนี้วันนี้พวกเราเสียสละเราอยู่ใกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามเป็นวันกตัญจูรู้บุญรู้คุณของครูบาอาจารย์เราก็ามาเสียสละทําบุญเพื่อบูชาบุญคุณของครูบ า, าอาจารย์เสียสละเรี่ยวแรงเสียสละสติเสียสละปัญญาเสียสละทรัพย์เสียสละส เวล่ำเวลามาได้เป็นการเป็นครามมาช่วยกันมาเป็นไม้ <c oughs> เป็นมือช่วยจัดช่วยทำช่วยคิดช่วยนึกช่วยอะไรต่ออะไรซึ่งพะกันช่วยแ บ, บ่ภาระซึ่งเป็นผลที่จะเกิดคุณเกิดคุณประโยชน์ให้กับหัวใจของเราอันนี้ให้เป็นไปชื่อว่าเป็นการพัฒนาจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงวางเอาไว้เราก็จะไม่เสียท่าเสียทีและอีกอันนึง พวกเราทั้งหลายก็ปรารถนาให้ครูบาอาจารย์ของเราอยู่เป็นร่มผูร่ร่มไส่ตั้ง อ, อกตั้งใจปรารถนาที่สำคัญที่สุดก็คือคําบอกคําสอนที่ท่านสอนแล้วพยายามตั้ง อ, อกตั้งใจเอาไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเราจะปฏิบัติตามไปได้มากน้อยเท่าไหร่เป็นผลเป็นอนันในสงที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายพยายามขวนขวายมาจนระยะเดียวนี้โอมันน่าจะเที่ยงคืนละมากเนี่ย มันน่าจะเที่ยงคืนลวมัง้งน่าจะพอสมควรแก่เวลาล้วนแต่มีผลเมียนันสงที่จะอำนวยอวยใ้ให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญด้วยการเสียสละแล้วก็เป็นผู้ได้รับบุญได้รับคุณประโยชน์จากการที่ครูบาอาจารย์เราไม่ลืมที่จะทําบุญอย่างนี้ระลึกถึงโอกาสที่ท่านเวียนมาบรรจบถึง 74ปี74พันศานี่ก็ไม่ใช่น้อยนะและท่านอยู่ในสมณเพศตั้ง52พันษาอยู่ในผ้าเหลืองเรามาคิดี้ลองดูอยู่ได้ง่ายหรืออยู่ได้ยากบางคนอยู่7วันก็ยังเร่าร้อนยังเดือดร้อนอยู่แล้วแหละแต่ท่านอยู่สิ้นระยะเวลาอยู่นี้อยู่ภายใต้ร่มเงาของผ้ากาสาวพัดอยู่ภายใต้อัตธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ภายใต้กานกัดการการขัดการเกล่า เป็นผู้นำเป็นร่มโพ ร, ร่มใสพว้เราทั้งหลายปรารถนาครูบาอาจารย์ของเรามีอายุมั่นขวนัญขวัญยืนเป็นร่มโพ ร, ร่มใสด้วยความตั้งอกตั้งใจปรารถนายอย่างนี้ด้วยกันทุกคนมันก็จะเป็นกําลังจิตกําลังใจช่วยเหลือภาระของครูบาอาจารย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อลุล่วงไปตามที่ท่านวางเอาไวา้ประโยชน์โสติผลจะตกเป็นของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคน ปรนาธาทำมาพอสมควรกี่เวลาเพียงเท่านี้ที่วังที่จบไปแล้วนะคะ <c oughs> เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์บุญมีนะคะวัดปาศรัทธาถวายตําบลหนองอ้อจังหวดัดอุดรธานีนะคะไม่รู้แลลวหลับตาพูดอ่ะอดีต<ะ>ัวลืมตาขึ้นมายังมีนั่งอยู่บนเก้าอี้นี่ <c oughs> คิดามาเหลือแต่เก้าอี้นีนะะ่ ขอเชิญคุณพานุคุณนิพาอุดมผลนะคะถวายาเครื่องไทยธรเเรมนะคะปัจจัยนะคะ6ทุ่มพอดี6ทุ่มพอดีฮะมายาวแล้วเกินน้นจบแล้วเกินยาวแล้วเกินน้นจบแล้วเกินบ้านก็อยู่ไกลอีกจะกลับไม่ได้กลับสักทีอ่ะ <c oughs> ท่านทั้งหลายทําโอกาสให้กับตัวเองเป็นผลประโยชน์โส่วทีผลของท่านเอง คนเราต้องบุกปืนต้องต่อสู้อยู่อย่างนี้แหละเอาอยัางอะไรยังไม่เสียดเดี๋ยวให้พร <c oughs> เอ๊ะมึนก็ตั้งใจจะเอาให้ถึงหกทุ่มเนะเาะอทีแรกว่าจะเอาตีสองร้องโอกมาแล้ว <c oughs> ร้องโอ้กมาเลยเ อ, อ, อ๋อเอออนนุโมทนาอตั้งใจรับพรนะ อุทิศส่วนบุญให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายและอธิฐานให้ครูบาอาจารย์เราอายุมั่นขวัญยืนเพื่อจะได้เป็นเรียวเป็นแรงเป็นร่มผู่ร่มไส้ให้กับพวกเราในโอกาสต่อๆไป <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะอยากฝากอย่าลืมว่าเราตั้งใจตั้งใจปฏิบัติระศาสนาได้สะดกสบายน ะ, ะเพราะภัยของศาสนาะน่มีมากมันมีทั้งภยัยภายในและภยัยภายนอกถ้าทั้งหลายมาคิดเรื่องเหล่านี้ให้มากเลยท่านจะ เกิดวิตกกังวลขึ้นมาโอกาสที่เราจะมีโอกาสและบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้สะดวกสบายนะภัยภายในคือกิเลสหัวใจของเรามันไม่เคยอยู่เท่าเดิมภัยภายนอกภัยจากศาสนาภัยจากลัทธิทั้งหลายทั้งปวงที่มันยื้อแย่งแข่งดีใส่กันเนี่ยเนี่ยมันมียุคหนึ่งที่พวกเราเกิดวิตกกังวลขึ้นมายุคคอมมิวนิสต์ ยุคนี้เป็นยุคที่ร้ายแรงกว่าคอมมิวนิสต์อีกพยยามกลืนกลืนๆลืนเข้ามาและท่านทั้งหลายจะถูกอะไรอย่างอื่นมันครอบงำท่านทั้งหมดท่านจะไม่มีโอกาสได้พระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้สะดวกเพราะฉะนั้นพวกเรายุคสมัยของพวกเราเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเรามีโอกาสตั้งอกตั้งใจเข้าวัดเข้าวัดตั้งใจรักษาศีลพระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคอยจับตรงนี้ให้ต่อเนื่องไปเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันเราตั้งอกตั้งใจทําตั้งแต่บัดนี้ไปจน ทายยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครหังเอวเมวิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวัสมิชตะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยถา สพีติโยวิวัตชันตุสพโรโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริชนิจังุท ธ, ธาปใจยโนจ ต, ตาโธธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลงังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภ พ, พุทธานุภาเวนะสตาโสถีพวันตุเตปวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวะตา สัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตภวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคาหนุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตอใครไม่กลับก็ไปภาวนาต่อนะใครกลับกับภาวนาไปไขับรถภาวนาไปนะอย่าลืมนะทํากรรมวิบาก กับกิเลดกรร ม, ม้บาทให้ผลต่างกันนะ